สิรัญชายาสักัญญาังอริยคันตังปสังสิตังสังเคปสะโดยาสัตถีอุชุพุตัญจัดัสนังอัธเรตโดติตังอาหูอมโมคังตัสชีวิตัง สมาสัตถัญจะสีรัญจาราซาดังธรรมทัสน่ังอนุยนเชธเมดหาวิสรังพุทธานศาสนาที่ศรัทธาของผู้ใดตั้งมั่นในพัตถาคต มีตถาคตโพธิสัตธาตั้งมั่นไม่หวั่นไหวตั้งมั่นดีแล้วศีลของท่านผู้ใดทั้งจารีศีลและวาลิตศีลของผู้ใดงดงามพระรยาเจ้าพอใจและสรรเสริญแล้วความเชื่อความเรื่อมใสของผู้ใดมีในหมู่สง์ ความเห็นของท่านผู้ใดมีปัญญานำหน้าเขาเรียกมีความเห็นที่ตรงผู้รู้กล่าวว่าผู้นั้นเป็นผู้ไม่ยากจนชีวิตของเขาไม่เปล่าประโยชน์มีศีลมีสมาธิมีปัญญาเป็นเครื่องนำพาประโยชน์ตนและศรัทธาความเชื่อมั่นไม่หวั่นไหวศีลควบคุมกายวาจาให้เรียบร้อยและจิตใจที่งดงาม ความเชื่อมั่นไม่วันไหวคือความเลื่อมใสความเห็นของท่านผู้ใดเป็นความเห็นธรรมผู้มีปัญญาพึงข้นขวายเนรเงืงอและลึกอยู่ซึ่งคำสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าทั้งหลายขอมโนทนากับเราท่านทั้งหลายที่มีตถาคตโพธิสที่ศัทธาเพียงเล็กน้อยอาจจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเดนะ เมื่อช้าพูดในเรื่องของคำว่าศรัทธาของผู้ใดตั้งมั่นในพระธรรคตก็คือมีตถาคตโพธิศรัทธาก็คือเชื่อมั่นปัญญาการตรัสรู้ของพระธรรคตว่าพระธรรมคตนี่แหละจากเดิมก็เป็นมนุษย์แต่ความเป็นมนุษย์ของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นเน่ยเป็นมนุษย์ที่ฝึกฝนภาพเพียนแล้วก็พัฒนาตนเองบำเพ็ญบรารมีอุปปรารมีปรมัตถบรารมี ที่สุดจริงๆก็สามารถพัฒนาตนเองเข้าถึงความเป็นพระตถาคตได้ทีนี้ในกรณีก็คือที่เราต้องการพูดในครั้งนี้ก็จะพูดในเรื่องของไตรสรณคมเนะีเพื่อให้ครูเนี่ยที่อยู่ในโรงเรียนบรรจงรัฐเนี่ยให้เข้าใจไตรรัฐไตรรัฐนี่เป็นศูนย์รวมใจก็คือไตรรัฐนะคือรัตนนานี่เป็นศูนย์รวมใจ ได้แก่รัตนาทั้งสามประการก็คือแก้วสามประการก็คือพุทธรัตนะธรรมรัตนาสังครัตนะผู้ใดได้ครอบครองอั ญ, ญมณีที่มีค่าก็จะเกิดความปลื้มใจและภูมิใจเป็นพิเศษเพราะอั ญ, ญมณีนั้นหาได้ยากและราคาแพงไม่ใช่ใครๆจะมีไว้ครอบครองไว้ทุกๆคนชั้นใดก็ชั้นนั้นบุคคลใดอันเชิญแก้วกาวคือรัตนาสาประการนี้ มาสถิตไว้อยู่ในดวงใจก็คืออัญเชิญพุทธรัตนะธรรมรัตนะสังข ร, รัตนะมาสถิตไว้ในดวงใจรัตนะทั้งสามประการนี้ถ้าสามารถอันเชิญมาประดิษฐานไว้ในดวงใจประดุดเป็นอัญญมณีที่มีค่าเพียรรักษาไว้อยู่ตลอดเวลาและลึกถึงเมื่อไหร่ก็อุ่นใจเมื่อนั้นแล้วก็จะเกิดความมั่นคงว่า เรามีแก้วสามดวงนี้เป็นที่พึ่งเราจากนำพาชีวิตของเรานี้เข้าสู่นแนวทางที่ถูกต้องก็ด้วยการอัญเชิญรัตนทั้งสามประการนี้แหละมาอยู่ไว้ในใจเพราะฉะนั้นในชีวิตที่ผ่านมานะให้สังเกตตัวนี้นว่าชีวิตที่ผ่านมาเนี่ยเราท่านทั้งหลายบางท่านก็คิดถึงพ่อคิดถึงแม่คิดถึงพี่คิดถึงน้องคิดถึงทรัพย์สมบัติ บุตรหลานญาติมิตรบางทีเราก็เอาความคิดของเราไปหวังพึ่งไว้กับสามีหวังพึ่งไว้กับภรรยาหรือกับพ่อแม่ปู่ตายายยายหนักๆเข้าในยุคปัจจุบันนี้เราก็เอาความคิดของเราไปพึ่งไว้กับผู้นําทางด้านการเมืองการปกครองก็ว่าไปบุคคลเหล่านั้นล้วนเป็นที่พึ่งอันไม่แท้จริงไม่แท้จริงเพราะว่าเป็นไปได้ไม่ตอลอดรอดฝัง ไม่สามารถที่จะนําพากระแสชีวิตของเราเนี่ยได้สลาณะได้ที่พึ่งหรือได้ประโยชน์ได้อย่างที่แท้จริงโดยส่วนใหญ่แล้วก็ได้ประโยชน์นอกๆเช่นข้อการขับเน้นประโยชน์เนี่ยเขาขับเน้นประโยชน์ตรงที่คุณความดีนะ ย, ยกตัวอย่างเช่นได้ศรัทธาที่มั่นคงในพระธรรมนาัยได้วิริยะได้สติสมาธิปัญญา หรือได้ศีลสมาธิปัญญานี้หมายถึงประโยชน์ได้เมตตาคือความรักปรารถนาดีได้กรุณาคือความสงสารคิดจะช่วยสาธิพจนทุกเป็นต้นอันนี้เป็นประโยชน์แต่การที่เราไปเอาความคิดของเราไปพึ่งไว้กับบุคคลอื่นมันเลยไปอิงแอบปัจจัยภายนอกเราไปเข้าใจว่าทีนี้ต้องทําความเข้าใจนะว่าเราที่เป็นครูเนี่ย ถามหน่อยว่าการเป็นครูเนี่ยอะไรคือผลที่แท้จริงของความเป็นครูเดี๋ยวถามครูหน่อยนะเออเรามาเป็นครูเนี่ยสิ่งที่เราถ้าหมายก็ว่าผลของการเป็นครูที่เรามาทําหน้าที่ของความเป็นครูเนี่ยอะไรคือผลที่แท้จริง เงินเดือนใช่ผลที่แท้จริง้าคกว่าเป็นครูไหมใช่ไหมใช่ท้าไมเขาไม่ให้เงินเดือนเราจะมาทำไหมไม่ทาอยูน่นะอะไรคือผลที่แท้จริงอะไรยังความสุขใจความปลื้มใจความสมณนณให้กับเราได้มากให้สังเกตดูนะหนึ่งเรามาเป็นครูเราก็มาทำหน้าที่ในการสอน วิชาการให้ความรู้ให้ข้อมูลตลอดถึงให้แบบอย่างที่ดีก็ว่าไปฉะนั้นในขณะที่เราเป็นครูยิ่งเป็นครูมากเท่าไหร่ทักษะความรู้ความชํานาญความสามารถถ้าเราขนขวายู่ตลอดเวลามันมากขึ้นใช่ไหมมันมากขึ้นทีนี้อีกอย่างหนึ่งการเป็นครูการมาทําหน้าที่เนี่ยสิ่งที่เราจะต้องได้เนี่ยมันได้อยู่สองอย่างนะสังเกตดูนะหนึ่ง เงินเดือนหรือค่าตอบแทนที่พึงได้สองความรู้ความสามารถทักษะความชำนิชำนาญที่เกิดขึ้นจากการที่ได้ทำงานได้เสพคุ้นตลอดเวลาทุกวันถามว่าทั้งสองอย่างนี้อะไรคือผลโดยตรงอะไรคือผลโดยอ้อมตอบมาตอบตอบมา อะไรเป็นผลโดยตรงของงานเป็นครูและถามจริงๆวเวลาเอาความสุขที่แท้จริงของเราไปอยู่ตรงไหนไปอยู่ที่ยิ่งอยู่นานเงินเดือนเพิ่มขึ้นหรือยิ่งสอนนานทุกวันทักษะความรู้ความสามารถความชำนิชำนาญความคล่องแคล่วการรู้จักปัญหาแก้ปัญหาได้เข้าใจสภาพเด็กเข้าใจนักเรียน สามารถที่จะทำให้นักเรียนนั้นสามารถเข้ามาเรียนและได้ความรู้ได้ความเข้าใจและเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับนักเรียนในขณะที่ทำงานไปก็เกิดความเข้าใจและเกิดความลึกซึ้งในงานมากขึ้นแล้วก็เกิดสุขสมมนาในการทำงานเกิดทักษะความสามารถความดีก็เพิ่มขึ้นใช่ไพัฒนาศักยภาพของตนเองได้ชัดเจนมากขึ้น ตนเองก็เข้าถึงความดีงามมีเมตตามากขึ้นมีกรุณามากขึ้นมีมุทิตาพอเย็นดีกับความสําเร็จของนักเรียนมากขึ้นแล้วบางครั้งแก้ไขปัญหานักเรียนและตนเองไม่ได้ก็รู้จักวางใจเป็นอันนี้ก็เป็นผลใช่ไหมผลจากการเป็นครูใช่ไหมอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าได้ค่าตอบแทนได้เงินเดือนตามอัตราค่าจ้างอันนี้ก็เป็นผลใช่ไหมระหว่างสองอย่างเนี้ย เราเอาความสุขไปไว้กับผลอย่างไหนและถห้เราเราให้ความสำคัญของผลแบบไหนมากกว่ากันระหว่างเงินเดือนกับทักษะความรู้ความสามารถหรือความชำนาญ <c oughs> จริงเลยโอนะเช่นใจทไมมีสองคนเองเนี่ยเรื่องเนทียอย่างแต่เนี้ยแต่คนส่วนใหญ่ ครูส่วนใหญ่ข้าราชการส่วนใหญ่หรือคนทำงานส่วนใหญ่ในประเทศในโลกเอาความสุขไปไว้ที่เงินเดือนให้สังเกต ด, ดูนะเอาสุขทุกข์ไปไว้ที่เงินเดือนไม่ได้เอาสุขไปไว้กับผลสำเร็จต่อการที่ตนเองได้มีความเชี่ยวชาญในทางด้านวิชาการมากขึ้นมีทักษะมีความรู้มีความเข้าใจ ไม่ใช่เข้าใจเพียงแค่หนังสือเข้าใจสภาพความเป็นจริงแก้ไขปัญหานักเรียนได้จริงแล้วก็สามารถที่จะพัฒนาองค์กรหรือบุคลากรที่ตนเองรับผิดชอบนั้ น, เ, นเข้าไปสู่ความดีงามได้ด้วยและตนเองก็มีความสุขมีความชื่นใจมียานมีปัญญาแล้วก็สดชื่นกระปรีกระปร่าทุกวันเห็นนักเรียนทีไรรู้สึกมันชื่นใจก็ไปถึงขั้วหัวใจมัน <c oughs> เป็นอย่างนี้ไหม พอเห็นหน้านักเรียนที่แล้วโอ้โหมันชื่นใจจริงๆเนี่ยเราจะได้ทำงานเราจะฝึกทักษะความรู้ความสามารถของเราเนี่ยให้ชำ น, นิชนานาญมากขึ้นถามว่าความชนานาญหรือความรู้ทักษะต่างๆประสบการณ์ชีวิตตรงนี้มันซื้อด้วยเงินได้ไหมได้ไหมมันซื้อไม่ได้ความเข้าใจเด็กความเข้าใจเยาวชนและการที่เราเข้าใจสภาพปัญหาที่แท้จริง และเรารู้จริงเราสามารถเข้าถึงความจริงเนี่ยนะที่จะสามารถแก้ไขปัญหาโดยชนิดที่ในหลักสูตรไม่ได้เขียนไว้แต่เราก็เห็นสภาพปัญหาที่แท้จริงเราสามารถแก้ปัญหาเด็กได้ด้วยให้เด็กเข้าถึงความดีงามได้ด้วยและเราก็เป็นแบบฉบับเป็นแบบอย่างเป็นแม่พิมพ์ที่ดีด้วยไม่ใช่เป็นแม่พิมพ์บิบิเบี้ยวๆเลยคือว่าใครถือแบบฉบับเดินตามแบบฉบับเรานี่ออกมาในงดงามเลย เอออันเนี้ยความสุขกับตรงนี้กับความสุขที่มันได้เงินอันไหนมากกว่ากันหรือพอๆพอกันอะไรเป็นผลโดยตรงก่อนนะผลโดยตรงอะไรคือผลโดยอ้อมของการเป็นครูทักษะความรู้ความชมนานาญนี่ผลโดยตรงใช่ไหมเงินเดือนก็เป็นผลโดยอ้อม แต่ความสุขที่ทำให้ใจเราสุขมากที่สุดเป็นผลโดยตรงหรือผลโดยอ้อมผลโดยอ้อมเนี่ยตรงนี้ก็ทำความเห็นให้ตรงเสียความความเห็นให้ตรงเสียต่อไปเราจะได้ไม่รู้สึกตอนนี้ก็จะจ้างเราถูกเกินไปนี่ย่ยางถูกเกินไปนี่เนี่ย หายใจเริ่มไม่ทั่วท้องเอ๊ได้ข่าวรัฐบาลเขาปรับเงินเดือนขั้นต่ําวันละสามร้อยเอย๊เราคิดไปคิดมาไปไปมาเรามันจะเข้ากันได้อ้ไอ้ขั้นต่ำนํำเนี่ยนี่เอ๊เราทํางานมาตั้งยี่สิสามสิบกว่าปีนี่เอ๊ะมองคิดคิดหน้าคิดหลังดูเอ๊ะ เ, เขาเพิ่งเข้ามาวันแรกเขาได้วันละสามร้อยเรามาตั้งนานทําไมเราคิดไปคิดมาเราให้ได้วันละห้าร้อยเองนี่มี ไม่คมเนะี่ยไม่คมไม่คมไม่ได้เดี๋ยวนั่งคุยกันหน่อยคุย ค, ย ค, ยคยุเออแล้วคุณว่าไงเออวางนะเอาเี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวต้องต่อรองกันหน่อยเป็นไงบ้างจริงเห็นไหมว่ามนุษย์เนี่ยเราเอาความสุขไปไว้กับตัวตัววัตถุนะเห็ไหมเอาเอาเอาเอาเอาความสุขไปไว้กับตัววัตถุ อามาใช้คำว่าอามาเคยไปพูดกับผู้บริหารอามาก็บอกว่าผู้บริหารในยุกนี้เดินมากเป็นผู้บริหารแบบฉบับทศกันอา้าทำไมทศกันยังตายรู้ไม้ม อ้าทำไมถึงตายเออทศกาณ์เนี่ยเอาหัวใจไปฝากไว้กับใครฤษีงั้นครูที่เอาหัวใจไปฝากไว้กับเงินเดือนเนี่ยก็เป็นครูครูอะไรครูทศกัณ์ไม่มีความสุขหรอกแล้ ว, แ ล, วแล้วเอาพอหัวใจไปฝากไว้กับทศกัณ์นะฮะต่อมาก็โดน รักหัวใจที่สึกกะตายทศกันกระตายใช่ไหมล่ะเราบางคนก็เอาความสุขไปไว้กับลูกเอาความสุขไปไว้กับสามีเอาความสุขไว้กับภรรยาเอาความสุขไปไว้กับทรัพย์เอาความสุขไว้กับเงินเดือนเอาไปทั่วมั่วหมดเลยนี้ใจเราควรเอาไว้ที่ไหนหอเอากลับมาบริหารเองสิไปฝากใครไว้ทําไม ข้าไปฝากไว้กับพระรัตนตรัยนี่เป็นไงโอ้โหอย่างนี้ชัดเจนพระุทธเจ้าพุทธเจ้าก็นําพากระแสชีวิตของเราเข้าสู่ฝังดตรงนี้ก็คือก็จุดที่เราต้องจับนะจับจุดพระรัตนตรัยไว้ให้มั่นดังที่ได้กล่าวไว้เมื่อเช้านี้ก็คือว่าตถาคตโพธิสัตถาก็คือเชื่อ ในปัญญาตัดสรุของพระตถาคตว่าจากประเด็นที่เราเชื่อมั่นในตถาคตโพธิสัธานี่แหละเวลาเราสวดพระพุทธคุณพระธรรมคุณสังฆคุณใช่ไหมเอาลองสวดพร้อมๆกันดูทีอ่ะสวดภาษาบาลีเลยไม่ต้องแปลเป็นนมือขึ้นดูทีอิติปิโสภาคาวา สมมาสามพุทโธเวชฌาจรณาสามปันโนสุขโตขวดูอนุตตรโภิสสดมสาราิสัตเวามนุสานา พุทธดงพคาวาตินี่ก็พุทธคุณเก้าเดอะ ร, รมคุณอีกหกอะสวากาตองพคาวาัตดัมโมสันเดติโกอาคาเลโก เอหิปัสสโกปะนาเยโกตังเวทิตโพวินโยหิเหตนิพพระธรรมคุณมีหกอต่อไปสังกคุณนีเก้า สุปาติปันโนภาคาวะโตสาวกสังโกปุชุปาติปันโนภาคาวะโตสาวกสังโกญาญาปติปันโน ภควตโตสาวกสังโฆสามีเจปาติปันโนภควตโตสาวกสังโฆทิทางจัตตาริปุเรสโยกานิอาจปุเรสปุ คาราเดสะภาคาวโตสาวกังโคอาหนยโยปาหูนยโยทากีนายโยอันจริคารณียโยอนุตตรังปุญญก โลกาสัติสาธุสาธุเดี๋ยวถามหน่อยสวดเมื่อกี้ได้อะไรจับจุดได้ชัดขึ้นไหมเห็นไหมถ้าเราสวดพุทธคุณเก้าธรรมคุณหกสังคุณเก้าบางทีเราก็สวดเพิ่นๆๆๆๆไปเนี่ยมันเลื่อนลอยเพลงฟางหาจุดหมายปลายทางไม่พบ อาจจะได้ชื่นใจบ้างเล็กๆน้อยๆแต่มันจับประเด็นไม่ได้แต่คําว่าอาราหังเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทโธเป็นผู้ตัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนี่คือพระพุทธเจ้าเนี่ยกว่าจะได้พระนามเหล่านี้กว่าจะได้คําว่าเป็นพระธถาคตเนี่ยพระองค์มาจากมนุษย์ธรรมดาใช่ไหมแต่ฝึกฝนเพียรพยายามอบรมตนเองมาตามลําดับ จากมนุษย์ธรรมดานี่แหละที่สุดจริงๆก็ฝึกตนเองแล้วก็เข้าถึงความเป็นพระพุทธเจ้าได้ความเชื่อมั่นในบาตรฐาคตโพธิสัทธาเชื่อปัญญาตรัสรู้ของบาตรฐาคตโดยเฉพาะปัญญาว่าเออมนุษย์เนี่ยประเสริฐได้ด้วยการมีปัญญาเป็นเครื่องนําพาชีวิตพัฒนากระแสชีวิตของตอนเองเข้าถึงความเป็นพุทธะได้เออโพธิ์ก็คือสัตว์นะก็คือปัญญานี่แหละโพธิ์ก็คือปัญญาปัญญา เข้าถึงความเป็นโพธิฉะนั้นการที่เราจะพัฒนาปัญญาของเราเข้าถึงความเป็นโพธิเป็นพุทธะได้เนี่ยเออมันมาจากการพัฒนาฝึกตัวเองเพียรพยายามในการที่จะฝึกหัดขัดเกลาตนเองที่สุดจริงๆมันถึงได้จริงๆทีนี้ถามว่าเมื่อเราเชื่อมั่นในตถาคตโพธิสัต tha แล้วเนี่ยเรากลับมาเชื่อมั่นศักยภาพตนเราเองไหมว่าเราก็จะพัฒนาตนเองเป็นหนึ่งในโพธิได้ เพราะสวดอย่างนี้แล้วยิ่งเชื่อมั่นไหมหรือสวดลอยๆเหมือนเดิมได้ไม่ได้เอาโลสักยุ่งเลยงั้นเอางั้นสมาทานต่อเมื่อเช้าสมาทานถึงสารณะนะอัตตาสันิยาตาสารณคมก็คือการสระตนหม้อตนนะแล้วก็ตับปริญนาสารณคม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 พอท่านโปรดจําข้าพเจ้าอย่างนี้เถิดอันนี้เขาเรียกอะไรการถึงสารณาประเภทไหนตับปริยณาสารณาคมหรือที่เราสวดกันทุกวันว่าพุทธังสารนางขะฉามิธรรมังสารนางขะฉามิสังคังสารนางขะฉามิเรียกก็ตับปรยนะิยณาปริยณาแปลว่า เบื้องหน้ามีมีพระพุทธเจ้าเป็นไปในเบื้องหน้าแปลว่าอะไรแปลว่าอะไรคําว่ามีพระพุทธเจ้าเป็นไปในเบื้องหน้าแปลว่าอะไรนะแปลว่าการถึงสาระการถึงรัตนตรัยนี่นะการก็มีพระพุทธเจ้าเป็นไปในเบื้องหน้าหมายว่ามีพระรัตนตรัยเป็นหลักนําชีวิต มีพระพุทธเจ้าเป็นหลักนำชีวิตมีพระธรรมเป็นหลักนำชีวิตมีพระสงฆ์เป็นหลักนำชีวิตนี่เขาเรียกว่ามีพระรัตนตรัยเป็นปายในในอะไรในเบื้องหน้าคำว่าในเบื้องหน้าแปลว่าอะไรละ่ะมีพระพุทธเจ้านำทางมีพระธรรมนำทางมีพระสงฆ์นำทางดีไหมแต่ชาวพูดโดยมากจะมีพระสงฆ์นาทางตอนไหน เออตอนตายาก็กระจูงนำนำนำไปอย่างนั้นนําจริงไหมนาจริงไหมจริงไม่รู้เรื่องแล้วคนนําอ่ะเขาก็จูงไะจูงไะใช่ไหมละ่ะพระเจ้านำหน้าพระสงค์ก็นำไปงั้นตอนนี้เราจะนําตอนไหนดีตอนนี้ดีไหมตอนนี้ดีนะทํายังไงดีให้ในรถถือ สายศีลแล้วเราก็รับสายศีลแล้วก็เดินนํากันไปอย่างนี้ได้ว่ามันมีนําอย่างนั้นนาในที่นี้หมายถึงการเข้าถึงที่เหมือนที่บอกว่าข้าพเจ้านี้เชื่อแท้ในพระธรรมนิตรีข้าพเจ้านี้เชื่อมั่นแท้ในพระธรัตนิตรยัยคําว่าเชื่อมั่นแท้ในพระธรรมนตรัยนี่หมายความว่าอย่างไรเนี่ย ก็หมายความว่าถ้ามีกิจธุระอันใดในการที่จะเที่ยวไปจากบ้านน้อยสู่บ้า น, นสู่บ้านน้อยบ้านใหญ่จากเมืองนี้สู่เมืองโน้นน่ยข้าพระเจ้าจักหันหน้าถวายนมำมการสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านมำมศการทั้งพระธรรมอันประเสริฐเป็นของแท้ประกอบได้แก่นสารดับสังสาระทุกข์ได้โดยแน่แท้อันนี้ก็เรียกว่าเป็นการถึงสถานะคมประเภทมี พระรัตนตรัยเป็นไปในเบื้องหน้าทีนี้ประการต่อมานีถ้าเรามองอย่างนี้เราจะเห็นว่าโดยเฉพาะว่าการมีพระพุทธการมีพระรัตนตรยัยคือมีพระเจ้ามีพระธรรม ม, รร ม, มีพระสงฆ์เป็นไปในเบื้องหน้าเนี่ยหลักการอยู่ตรงไหนหลักการที่ว่าพระเจ้าได้ชื่อว่าเป็นศาสนะเพราะสามารถกําจัดภัยให้สัตว์ทั้งหลายโดยให้ดําเนินไปในสิ่งที่เป็นประโยชน์ และให้กลับจากสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ถามว่าการฆ่าสัตว์นี่มีประโยชน์หรือไม่มีประโยชน์การงดเว้นจากการฆ่าอันนี้เป็นประโยชน์การฆ่านั้นไม่มีประโยชน์ฉะนั้นการถึงพระพุทธเจ้าเนี่ยพระพุทธเจ้าก็เลยให้เราชีวิตเรากลับว่าให้เราเนี่ยอย่าได้มีจิตใจโหดร้ายเลย 1. เจตนาในการที่จะคิดฆ่าในคิดประทุษร้ายหรือคิดรังแกสัตว์ทั้งหลายที่มีชีวิตเป็นต้นเหล่านี้ก็งดเว้นจากการฆ่าให้ความปลอดภัยในชีวิตของสัตว์เสียแล้วก็กลับมาหาเมตตามีความรากักความปรารถนาดีความเอื้อทอนต่อสัตว์ทุกจำพวกไม่เว้นก็น้อมกายให้สะอาดวาจ่า้สะอาดจิตให้สะอาดแล้วก็มีความสะอาด มีความเ e อื้อเอ็นดูต่อสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงแพงเมตตาจิตไปให้สัตว์ทั้งหลายหาประมาณมีได้มีใจที่ประกอบด้วยเมตตาด้วยกรุณาลักษณะอย่างนี้เขาเรียกว่าให้กลับจากสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ก็แต่ก่อนเราเป็นคนฆ่าสัตว์ชอบประทุษร้ายแต่ต่อมาเราก็ออกจากสิ่งเหล่านั้นได้นั่นแหละพุทธะนั่นแหละนากลับจากสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ ขันก็หาสิ่งที่เป็นประโยชน์เกื้อกูลนี่คือเป็นสารณะก็คือกําจัดภัยเมื่อเราไม่ฆ่าเนี่ยแปลว่าเราให้ความปลอดภัยเมื่อให้ความปลอดภัยแก่สัตว์ทั้งหลายนั้นกระแสะชีวิตของเราก็จับไม่มีเวรภัยแต่จับมีเวรภัยแต่ที่ไหนเราอยู่หน้าที่ใดเราก็จะเป็นผู้ปลอดภัยในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อเห็นไหมลักษณะอย่างนี้ก็เรียกว่าสารณะเนี่ยกำจัดภัยให้กับเราแล้วมีพุทธะตระหนัเป็นต้นและในขณะที่เราเดินตามกุศลศีลนั่นแหละ ตัวการจิตทิ้งดเว้นจากการฆ่าจิตทิ้งดเว้นจากการลักจิตทิ้งดเว้นจากการประพฤติผิดในกาลเป็ตนต้นอันนั้นแหละกระแสของพระธรรมไหลอ ย, อยู่ในใจนะั่นแหละพระธรรมทําให้เราพ้นจากกันดารชีวิตของเราต่อไปก็จะไม่กันดารต่อไปก็จะไม่เจปป็บปวดเพราะงดเว้นจากการฆ่าง ด, ดเว้นจากการลักเป็นต้นได้ด้วยนี่ไงลักษณะนี้พระธรรมก็รักษากระแสชีวิตของเราไม่ให้ตกไปในในบภูมิและไม่ให้ตกไปในภพที่เลวร้ายทั้งหลาย ส่วนพระสงฆ์ก็เป็นเนื้อนาบุญพระรัตนตรัยก็เป็นเนื้อนาบุญทําให้เรานั้นมีหลักนํำพาวอื้อแบบฉบับในการที่จะฝึกหัดขัดขัดเกล้าตนเองก็คือหมู่อริยสงฆ์แล้วก็เดินตามแบบฉบับอย่างนี้อันนี้ก็เรียกมีพระรัตนตรัยเป็นไปในเบื้องหน้าเขาเรียกมีหลักนําชีวิตที่ถูกต้องแล้วน่าชื่นใจไหมถ้าเป็นแบบเนี้นี่ชีวิตมันก็น่าชื่นใจนี่ก็เรียกว่าตับปริยนาาัสารณคม ต่อไปนีสิทธสภาวะปะคามณะสารณาคมการถึงสารณไตโดยการเข้าถึงความเป็นสิทธเห็นไหมสองอย่างนะเมื่อเช้าเมื่อเช้าเป็นอการถวายตนแล้วก็การมีพระรัตนตรัยเป็นไปในเบื้องหน้าสองอย่างครั้งที่สามก็นี่ไงการเข้าถึงด้วยความเป็นสิทธของพระรัตนตรยัยเรามีอาจารย์ไหม ปกติทุกคนมีอาจารย์มีครูบาอาจารย์กันใช่ไหมแล้วตอนนี้เราก็เป็นอาจารย์ใช่ไหมเราก็มีลูกศิษย์ใช่ไหมแต่ตัวเราแต่บุคคลที่เป็นอาจารย์ที่แท้จริงเนี่ยนำพาชีวิตของเราได้ชัดเจนที่สุดก็คือพระรัตนตรยัยอา้าวทีนี้การเข้าถึงความเป็นศิษย์เนี่ยเขาใช้คําว่าอัจชาอาทิงกัตวา ม่วงไงยังม่วงไหมไม่ง่วงเนะ่ยเมื่อสักครู่นี้เห็นฟังอยู่ข้างล่างมีการยืดเส้นยืดสายกันด้วยเลยจริงๆก็เนนก็กรถามว่าเอ๊ะท่านั่งเก้าอี้กันนั่งกับพื้นอันไหนอันไหนดีกว่ากันเขาเลยบอกเนนเข้าไปว่า <c oughs> ก็แล้วแต่นะแต่ถ้านั่งกับพื้นก็ดูดีมันก็ดูงามดี <c oughs> ระหว่างคนฟังกับคนพูดเนี่ยอันไหนเหนื่อยกว่ากันใครเหนื่อยกว่ากันเอาไมเดี๋ยวเอามาไปนั่งแล้วให้เราพูดให้เราเอามาฟังเอาไมที่จริงคนพูดแต่แต่แต่จริงเอามาเป็นคนชอบฟังนะถ้าเป็นไปได้เี่ยจริงๆเอามาปรารถนาจยะฟังจะพูดพูดมาเยอะก็จริงๆทุกวันเ อ, อ้ฟังคนอื่นพูดเนี่ดี แต่แต่ต้องพูดให้เข้าล่องเข้าร้อยหน่อยต้องการพูดไว้ทั่วดอ้าวปนอมือขึ้นเอาให้ครบเนะเขาถึงสราระให้ครบแล้วเดี๋ยวขยายประเด็นให้จบอัชชะอาทิงกตาวาลองทำทีทำท่าเสียงหนักแน่นหน่อยได้ไหมอัชชะอาทิงกตวาอาหังพุทธทัษะ อันเตวาสิโกโหมิอะหังธรรมัสสะอันเตวาสิโกโหมิอะหังสังคัสสะอันเตวาสิโกโหมิอิติมังทารีธาติข้าพระเจ้ากระทำวันนี้เป็นวันเริ่มต้น ตราบเท่าสิ้นชีวิ ต, ต, เ, วตเป็นสิทธิของพระสัมมาสัมพุทธเจา้าเป็นสิทธิของพระธรรมเป็นสิทธิของพระสงฆ์ขอท่านโปรดทรงจําข้าพเจ้าอย่างนี้เถิดใจไหมได้เป็นสิทธิของพุทธเจ้าแล้วรับประกาศเนี่ยเออเราเป็นสิทธิ์มีครูใช่ไหมเรา ครูของเราคือคือพระรัตนตรยัยถ้าเขาถามว่าท่านทั้งหลายมีครูไหมมีใครเป็นครูของท่านพระรัตนตรัยเป็นครูของเราถามว่าสทิที่มีครูเนี่ยแปลว่าเป็นสิ์เป็นบุคคลที่มีที่พึ่งเราไม่ว้าเวเราไม่เดียวดายเราไม่กันดานเราไม่แห้งแล้งแล้ว เรามีที่เป็นไปในเบื้องหน้าเรามีหลักนําของชีวิตเราเป็นสิทธิ์มีอาจารย์อาจารย์ของเราคือพระรัตนตรยัยฉะนั้นเราจะทําสิ่งใดๆก็แล้วแต่เราจะปรึกษาพระรัตนตรัยก่อนเราจึงก็จะทำแล้วคําว่าเป็นสิทธิ์ของพระรัตนตรัยเนี่ยมีความตระหนักมีความเคารพอย่างแท้จริงไม่ใช่เป็นสิทธิ์ประเภทที่ไม่แท้จริงเออเราก็เห็นใช่ไหม สิทธิ์ที่ไม่เคารพอาจารย์จริงๆแต่นี้เรามีพระรัตนตรัยเป็นอาจารย์นะ่โหน้าชื่นใจไปแล้วมีครือข่าิ์มีครูฉะนั้นเวลาเราเกิดความทุกข์เกิดความท้อแท้เกิดความไม่สบายกายไม่สบายใจเกิดความขับแค้นใจเกิดโทมนัสขึ้นมาเราก็หันหน้าปรึกษาอาจารย์อาจารย์ของเราก็คือพระรัตนตรัยไง พระพู้มพระภาคเจ้าฝึกตนเองมา20ประสงขา ย, ยิ่งด้วยแสนมหากับเนี่ยก็เพื่ออะไรเนี่ยก็เพื่อจะมาแก้ไขปัญหาชีวิตของเราฉะนั้นเมื่อกระแสชีวิตมันมีปัญหาเรามาฝากตัวเป็นสิทธิ์กับพระรัตนตรยัยแล้วก็ปรึกษาใครก็ปรึกษาพุทธเจ้าอย่างนี้เป็นต้นอย่างนี้เขาเรียกว่าการเข้าถึงเขาเรียกอันเตวาสิทธก็หมายวามวาสิทธ์มาจากคาว่าอาจาริยัสะ อันเตวาสมีเปวั ส, สนสีโสศีโรติอนุเตวาสีผู้มีปกติอยู่ใกล้อาจารย์ชื่อว่าอันเตวะสีทีนี้การเข้าไปเป็นอันเตวาสิกก็คือการเข้าไปเป็นสิ์ก็คืออยู่ใกล้อาตอนนี้เมื่อเราสมาทานเบีเสร็จอย่างนี้แปลว่ากายของเราจะอยู่ใกล้อาจารย์ไหมคือพระรัตนตรัยวาจาก็อยู่ใกล้พระรัตนตรัยโดยเฉพาะอะไรอยู่ใกล้มากที่สุด จิตใจของเรานะั้นจะแนบสนิทกับพระรัตนตรยัยคืออาจารย์นั่นเองถ้าเขาถามเราบอกว่าท่านเป็นศิษย์มีครูไหมบอกมีเราเป็นศิษย์มีครูครูของเราคือใครเออพระรัตนตรัยเป็นครูของเราแต่ต้องดูด้วยนะเมื่อเรามีคําว่าศิษย์สภาวูเนี่ย สิสภพ า, าวุปะคมนาสัมนาคมเนี่ยสัราณาคมเนี่ยก็คือการกล่าวอย่างยกตัวอย่างเช่นพระมาหากระสอบเนี่ยพระมาหากระสอบกล่าวบอกว่าสัทธารันจาวตาหังปัสสามิภควันตะเมวะปัตสามิสุขตันจาวตาหังปัสสามิภควันตะเมวะเนี่ยปัตสามิสัมมาสัมพุทธันจาวตาหังปัตสามิภควันตเมวะว่าปัสสามิบอกว่าดีแท้ ข้าพระองค์ได้เห็นพระบรมครูได้เป็นสมเด็จพระผู้มีได้เห็นสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าดีมากดีแท้ดีที่สุดเน่ยนะถาว่าในชีวิตที่ผ่านมาเนี่ยเราเห็นสิ่งอื่นมาเยอะแล้วแต่ไม่ดีเท่ากับการเห็นพระบรมครูคือได้เห็นพระผู้มีพระภาคเจ้า เออถามพวกเราว่าตอนนี้เรามีโอกาสจะเห็นพระบรมครูของเราไหมเห็นไหมเห็นไหมเออมีอยู่ครั้งหนึ่งเออพุทธชนนี่แปลกนะยังไงก็อยากจะเห็นพระเจ้าในตาเนื้ออยู่เดียวทั้งทั้งที่พระเจ้าบอกว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเรานี่ยนะก็ไม่เข้าใจนะพุทุชนก็ไม่เข้าใจเออในยุคหนึ่งนะ พระเจ้าโศกมหาราชเนี่ยท่านเป็นผู้มีบุญมากพระเจ้าอโศกมหาราชนี่นะถ้าเราดูประวัติในหลักฐานในศิลาจารึกในในอินเดี ย, ยหรือประวัติาศาสตร์ในอินเดี ย, ยเราจะเห็นชัดเออพระเจ้าโศกมหาราชเนี่ยสร้างสถูป8ปดหมืนสี่พันสถูปวัด8ปดหมื่นสี่พันวัดนั่นเองสรุปก็คือสร้างมหาวิหารเนี่ยแปดหมื่นสี่พันถวายเท่ากับพระธรรมขันธ์ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายิ่งใหญ่มาก เสาโศกที่ปักไว้เนี่ยแปดหมื่นสี่พันต้นทุกวันนี้ค้นเจอได้ก็ประมาณสักสิบถึงเจ็ดสิบต้นนะที่มีหลักศิลาจารึกเนี่ยเนะเขียนหลักศิลาจารึกนั้นพระเจ้าโศกมหาราชเนี่ยทำศิลาจารึกประวัติศาสตร์ในอินเดียวไว้ชัดเจนมากนี่นะทีนี้ในบุญคือคือถ้ามองถึงบุญของพระเจ้าโศกในแต่ก่อนเนี่ยท่านเป็นคนที่มีความเห็นผิด ท่านมีความคิดบอกว่าการจะเอาชนะคนอื่นได้ก็ด้วยสงขามาวิชัยก็หมายความว่าคือการลบพุ่งนั้นท่านก็ยกกองกำลังในการที่จะเข็นฆ่าอาลิลาศัตรูหรือคนที่เป็นฆ่าศึกตนเองเนี่ยมีอยู่ครั้งหนึ่งที่ท่านเกิดสลดสังเวชใจมากที่สุดก็คือการที่ท่านยกกองกำลังไปที่กาลิงคาตอนนั้นก็คือฆ่าผู้คนตายล้มตายไปเป็นจานวนเลือนแสนมากกว่าแสน ขนาดขี่หลังม้าไปในควบหลังม้าไปเนี่ยเลือดนองเนคือม้าเนี่ลุยเลือดไปเลยลุยเลือดไปจนถึงข้อเท้ามาท่านก็เกิดสังเวชสลดใจว่าโอ้โหเราเนี่ยมือเปื้อนเลือดแท้เกิดมาก็เข็นฆ่าคือต้องการอยากให้คนอื่นตกอยู่ในอนํานาจตัวเองเนี่ยตัเองต้องกลายเป็นคนโหดเที่ยมถืออาวุธยุโทโธปรกรณ์นํากองกําลังในการที่จะเข็นฆ่าอารีราชศตัตรู ต่อมาท่านก็เลยหยุดบอกโอ้โ oh, ห oh, รู้สึกสลดใจมากมันเกิดภาพนิมิต ท, ที่ไม่ดีแม้คนที่ทําการลบพุ่งมากๆเนี่ยหรือจิตใจที่โหดร้ายมากๆถึงขนาดไหนก็แล้วแต่เนี่ยไอ้ภาพนิมิตเหล่านี้ภาพที่ไม่ดีทั้งหลายมันก็มากระเทือนที่จิตใจที่สุดจริงๆท่านก็เอ้ ه, ตอนนั้นเนี่ยมีวันหนึ่งท่านก็อยู่บนพระราชวังเนี่ยนะท่านก็เห็นสมมาเนรรูปหนึ่งท่านเดินจาริกในการเอ่อในการบินธบาติเนี่ย พอเห็นแล้วท่านเกิดศรัทธาเนี่เกิดความเชื่อมัน่นว่าเออสมณะผู้เนี้ยแม้การเดินก็น่าเลื่อมใสนะักเออการเดินยังยังเป็นเหตุเป็นปัจจัยทําให้คนมีปัญญามองออกได้เนะยให้สังเกตดูไหมเวลาพระเดินบิณาบาตเนี่ยเรามองออกไหมว่าจริงๆแล้วเดินแล้วเนี่ยเราไม่เห็นว่าเออปุพันเหตบินบทบปาตันจ่านี่เป็นจิตของพระเจ้าในการบินบาบัดนะพระเจ้าวเวลาช้าพราะองค์เสด็จบิณาบาตเพื่อโปรดสัตว์เนี่ยนะ ถามว่าในการเสด็จบินบบัดของพระบรมศ า, ศาสดาบางคราวก็ไปองค์เดียวบางคราวก็มีภิกษุสงฆ์ตามเสด็จบางคราวก็ไปแบบปกติธรรมดาเดยต้วส่วนใหญ่เนะี่ยไปได้วยบุญญาพินิหารตั้งต้นเออพระพุทธเจ้าก็บิณบำบัดตอนเช้าในทุกวันนี้เวลาเราเห็นพระที่เดินบินบบาตเนี่ยเรานึกถึงพระบรมศาสดาไหมโดยมากคนส่วนใหญ่ก็มองไม่เห็นใช่ไหมเพราะเรามองไม่เห็นเนื้อใ น, นของจิตใจว่าท่านไข้ควรอะไร เราเห็นแต่รู ป, ปกายของท่านในการห่มผ้าเหลืองไงนะแล้วก็เดินอุ้มบาตือเดินไปปกติธรรมดาเนี่ยเราก็นึกว่าเออท่านไปหาอาหารกินท่านเราไม่คิดอะไรมาก ไ, มไปกว่าไปกว่านั้นไงเราไม่เห็นว่าตอนนั้นท่านกําลังมานัสิการถึงพระธรรมคําสอนของพระศาสดาเพราะท่านเป็นสิทธิ์ที่มีอาจารย์คือมีพระราจาตรายัยมีพระพุทธเจ้าเป็นอาจารย์ฉะนั้นท่านก็เดินตามพุทธโอวาสมีพุทธโอวาสอยู่ในความคิด เมื่อมีพุทธโอวาทอยู่ในความคิดอยู่ในกระแสชีวิตแม้ท่านกําลังจะยืนนะในการที่ใช้สายตาในการที่อุ้มบาดในการที่ห่มจีวรในการเดินในการมองหรือในขณะที่รับบาด ท, ทั้งหลายเหล่านี้มันเป็นพุทธพุทธโอวาทจะเตือนจิตท่านตลอดเวลาว่ า, วาเวลานี้ท่านคงไข้ครวญอย่างไรท่านคิดอย่างไงท่านมานุษย์การใส่ใจอย่างไรในการีรับอาหารและบิณาบาตนั้นเราก็ไม่เห็นใช่ไหม เพราะเราจะเห็นในรูปแบบภายนอกแค่นั้นเองว่าเออเห็นท่านเดินไปแต่เราไม่เห็นหรอกว่าตอนนั้นกระแสจิตใจของท่านเนี่ยที่เป็นไปกับที่มีเจตนาที่เป็นไปกับกุศลมีจิตที่น้อมเป็นไปกับกุศลในการที่จะทําข้อปฏิบัติของตอนเองให้เต็มให้บริบูรณ์ตอนนั้นท่านกําลังฝึกตนเองอยู่เพื่อพัฒนากระแสของกายและวาจาให้สงบด้วยการมีสภาพจิตใจที่ควบคุมกายควบคุมวาจาไม่ให้กระจัดกระจายไป และในขณะเดียวกันนั้นน่ยพระธรรมอยู่ในใจท่านก็คือพุทธโอวาสอยู่ในใจก็คือท่านตระหนักความเป็นสิทธิ์ของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็ทํ่สอนท่านก็รับเอาพุทธโอวาสหรือรับคําสอนของพระศ า, าสดาด้วยความเคารพอย่างยิ่งในการที่เอามาน้อมนําเป็นหลักธงชัยในการที่นําเป็นหลักประพฤติปฏิบัติทีนี้ คนที่มีปัญญาดีท่านก็เห็นอออากับกริยาของสมณะรูปเนี้ยอากับกริยาการยืนการเดินการทอดสายตาการถือบาตรน่าเลื่อมใสนาจิตใจที่เคยขุ่นมัวจากการทุกเนี่ยพระยอดโสกเนี่ยท่านเคยทุกทรมานมากนะท่านก็สว่างขึ้นมาเล ย, ดยเดยนี้นึโหชื่นใจจริงๆเห็นแล้วเกิดศรัทธาจริงๆน่และที่สุดจริงๆก็นิมนต์ขึ้นมา พอนี้มนขึ้นมาเบียเสร็จท่านก็มาพิจารณาเออดูสัมมณเนรรูปเนี้เป็นสมมณเนนด้วยนะเชื่อสมณเณนี่โครรเนี่ยเออที่พระเจ้าโศกศรัทธาเนี่ยเป็นสมมณเณรเนี่ยไม่ใช่เป็นพระเนี่ยพอขึ้นมาเป็นดเสร็จแล้วท่านก็ดูว่าเออเณร น, นี้ท่านจะนั่งยังไงโ อ, อ้คนมีศีลเนี่ยเขา อ, อาถารเนะเออสมมณเนนนี่เดินเดินเดินเดินไปก็พิจารณ า, าว่าเออท่านก็ดูอาสนะที่เหมาะสมกัสมมนาท่านเดินเดินไปท่านนั่งบัลลังก์เลย บัรลังของพระเจ้าโศกอ่ะท่านเป็นนั่งบนบัรลังเนี่ยโอ้โพระเจ้าโศกชื่นใจมากเลยบอกโอ้โหเห็นไหมว่าท่านมองว่าอิสมมาณะจะไปนั่งต่ำกว่ายมก็ไม่ได้เพราะสมาณะเป็นผู้มีศีลยมหลายๆท่านจะคิดว่าเนมีศีลแค่สิบใช่ไหมศีลหลักๆของเนียนยมีอยู่แปดสิบห้าข้อศีลที่กระจายอีกนับไม่ได้ ไม่ใช่อย่างที่เราเข้าใจเนะเราเข้าใจกันอย่างเหมือนชาวบ้านเนี่ยเน้นถือศีลสิบสิบก็ไม่ค่อยครบเทอบใจขอไฟเลยนะไม่ใช่เน้นจริงๆเราศีลไม่ใช่อย่างนั้นไม่ใช่ธรรมดาอย่างที่เราเข้าใจเนะในข้อปฏิบัติจริงๆเนะ่ะเพียงว่าเราไม่เคยปลุกระดมพระธรรมของพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าขึ้นมาฟื้นขึ้นมาจริงๆอนะ่ะซึ่งเราถูกกรบด้วยวัฒนธรรมประเพณีหรือความเข้าใจเนะี่ยที่มันไม่ตรงเนะี่ย ทีนี้พอเห็นอย่างนั้นเบ็เสร็จท่านก็เข้าไปกราบแล้วท่านก็ถามสัมมเนนแสดงอะไรที่จริงสมมเนนแสดงไตรลักษณ์และกระสบหลบลงในอัปมาธาธรรมคือความไม่ไม่ประมาทเออถ้าเรามาพิจารณาอย่างนี้ท่านนะว่าถ้าพูดถึงความไม่เที่ยงที่บอกว่ายาธรรมมาสังขาราเนี่ยไอ้สังขารทั้งหลายเป็นของไม่เที่ยงเนี่ย ตาหูจมูกเล่นกายใจผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกไตหัวใจตับกระแสชีวิตรูปกายของพวกเราเนี่ยถามว่ามันแตกดับไหมมันคงทนไหมมันแตกสลายหมดเลยเนี่ยทั้งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิตเนี่ยอันนี้เขาเรียกภาวะของความไม่เที่ยงมันมีแล้วมันก็ดับศูนสลายไปเป็นของธรรมดาใช่ไหม เออถามว่ารู้รู้ว่าไม่เที่ยงแล้วได้อะไรต่อรู้ว่าสรรพสิ่งทั้งหลายมันจะต้องผันแปรเปลี่ยนแปลงสลายไปแล้วมันได้อะไรต่อได้อะไรไหมอ้าเราก็เห็นนี่คนนั้นตายบ้างคนนั้นก็วิบัติบ้างนะข้าวนะกข้าวโอ้คนนั้นแก่แล้วคนนั้นอายุมากแล้วคนนั้นสติปัญญาไม่ดีคนนั้นก็โกงเงินเินถ้าเรามองนี้นะว่า ผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกไตหัวใจตับปอดไส้ใหญ่ไส้น้อยมันสมองคำว่ามันชลาเนี่ยชลามันคืออะไรอ่ะรู้มไหมคําว่าสิ่งเหล่านี้ที่มันชลาคืออะไรเพราะตอนนี้มันกําลังทําหน้าที่วิพิลิตผิดเพี้ยนใช่ไหมเออดูตาที่มันก็เริ่มทําหน้าที่วิพิลิดผิดเพี้ยนหูก็ทําหน้าที่วิปิลิดผิดเพียเพ้ยน สมองก็ทําหน้าที่วิปรดิษ์ผิดเพี้ยนกายก็ทําหน้าที่วิปรดิษเริ่มจะผิดเพี้ยนอย่างนี้เขาเรียกชรลาแต่ถ้าผมขนและฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกไตหัวใจตัปาปอดไส้ใหญ่เป็นต้นตลอดถึงมันสมองมันหยุดทําหน้าที่อันนี้เขาเรียกอะไรเขาเรียกมรณะเขาเรียกว่าตายนั่นแหละแล้วตอนนี้มันเริ่มอวัยวะแต่ละส่วนในร่างกายทุกจุดของร่างกายเนี่ยมันเริ่มทําหน้าที่วิประิษฐ์ได้ยัง เริ่มผิดเพี้ยนนี่ยังนั่นแหละเขาเรียกชะลาไอชรลาเนี่ยมีอยู่ตลอดเวลาไหมตลอดเวลาเนี่แหละแต่เราพยายามจักไม่เข้าไปรู้มันเพราะอะไรเพราะเราเป็นอยู่ด้วยความประมาทที่จริงบริเจที่สมณีนีครูสอนพระยาโศกเนี่ยท่านขับเน้นตรงว่าเมื่อรู้ว่าสรรพสิ่งทั้งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิตเนี่ย มันมีการแตกสลายไปเป็นธรรมดาเนี่ยก็จงเอาประโยชน์ก็จงได้ประโยชน์จากการที่เห็นสิ่งทั้งหลายที่มันแตกดับสลายไปด้วยการยังประโยชน์ให้เกิดขึ้นเสีที่อะไรคือประโยชน์ศีลที่ยังไม่มีก็ทำให้มีขึ้นในกระแสะชีวิตเสียสมาธิที่ยังไม่มีก็ยังให้เกิดขึ้นในในกระแสะของชีวิตเสียปัญญาที่ยังไม่เกิดขึ้นก็รุก ปลกเราให้เกิดขึ้นในกระแสของชีวิตเสียเพื่อจะทําให้สิกขาสาวน่ะมันเดินไปในกระแสชีวิตนี่แปลว่าเราจะได้ประโยชน์จากการที่เห็นสิ่งทั้งหลายที่มันแตกดับสลายไปเป็นธรรมดาถ้าอย่างนี้แปลว่าไม่ประมาทแต่ถ้าปล่อยปะล่นเลยอะไรจะเกิดก็ช่างหัวมันอันนี้เขาเรียวกว่าเป็นอยู่แบบประมาทสักแต่ว่าหายใจทิ้งไปวันๆใช่ไหมพระเจ้าโศกก็ได้มุมชิด พอได้มุมคิดตอนนี้ก็เกิดศรัทธาพราะเกิดศรัทธาก็เชื่อมัน่นในพระธรัมน า, ายัยก็ไม่ปล่อยวันเวลาให้ผ่านไปโดยปราบประโยชน์ถามว่าพระยาศกมีทรัพย์ไหมมีอำนาจไหมมียศไหมมีบริวารไหมแต่ก่อนเห็นทรัพย์เห็นยศเห็นอำนาจเห็นบริวาเวรเบียเศจเพื่อจะไปครอบครองเอามายึดเอามากอดต้องการอยากจะเป็นเจ้าปกครองทรัพย์ปกครอ ง, อ, งอำนาจอยากเป็นใหญ่ แต่พอเข้าใจบริบทของคําสอนเบเสร็จพระเจ้าโสก็เปลี่ยนวิธีคิดจากระบบไปสงครามวิชัยก็ใช้ระบบธรรมวิชัยบอกจะไม่ชนะโดยโดยการข่มเหงและบังคับคนอื่นแล้วก็เลยใช้ยศใช้อํานาจใช้ทรัพย์ที่มีอยู่เอามาเป็นปัจจัยเกื้อนหนุนต่อการบําเพ็ญประโยชน์และทําความดีซะเลยเห็นไหมตรงนี้ก็เลยเปลี่ยนวิธีคิดก็เลยทําให้คําสอนของพระพุทธเจ้านั้นกระจายไปทั่วชมพูทวีปเลย เห็นไหมการมีทรัพย์การมีอำนาจการมียศการมีบริวารทั้งหลายเกียรติยศทั้งหลายเนี่ยถ้าเราไปมัวเมาไปเพลิดเพลินหรือไปประมาทกับมันเราจะไม่ได้ประโยชน์เลยนะแต่นี้ถ้าคนฉลาดเบ็ดเสร็จมีปัญญาเข้าถึงรู้ความจริงเบ็ดเสร็จเอาสิ่งเหล่านี้มาใช้ใเป็นประโยชน์กลับกลายเป็นการกระจายหรือขยายในการที่จะสร้างประโยชน์ให้กว้างใหญ่ไพสารกลับได้ความดีจากการมีทรัพย์มียศมีอำนาจทั้งนั้นะ เออต้นการที่ท่านบำเพ็ญบุญขนาดเนี้ยท่านมีบุญขนาดไหนรู้ไหมมีวันหนึ่งคือท่านจะมีโซ่ทองนี้เป็นความพิเศษของท่านนะท่านก็อธิษฐานโยนโซ่ทองลงในทะเลแล้วก็กระดึงขึ้นมาติดพยากาและนาคราชไม่ได้ตัววันเนี้เขาบอกว่าคนเขาเห็นกันบ่อยนะพญานาอัปยา น, น้ า, า, นนาใช่ไหมเขาเห็นกันบ่อยที่ตัวยาปเป็นร้อยๆเม็ดเขาก็เห็นนะ เออ น, นี่เป็นเรื่องแปลกเลยอันนี้เหมือนกันพระเจ้าโศกท่านอลยที่ฐานเออได้พญานาคมามาตวงพญานาคมีฤทธิ์มากนะแล้วทันพระเจ้าหลายองค์ด้วยอายุยืนด้วยเป็นสัตว์มีบุญแต่ว่าเป็นอบัยัสัตว์แต่มีฤทธิ์พอได้มาไปเสร็จท่านก็ไปบูชาบอกว่าเออขอบูชาเอาของหอมเอาดอกไม้ไปบูชาไปกราบสการ่าบูชาอ้อนวอนเนี่ย ท่านบอกว่าท่านขอร้องพญานาคบอกว่าช่วยแปลงรูปเป็นพระผู้มีพระเจ้าให้ข้าพเจ้าได้ชมได้เถิดคือท่านอยากเห็นพระพุเจ้าเออกาละหน้าลราชเห็นเออพระราชารูปนี้ไม่ได้ทําร้ายเรานี่เออดึงเราขึ้นมาเนี่ยนะเอาเรามาบูชานี่เพราะงั้นท่านก็เลยเห็นใจนะยท่านทันพระพุทธเจ้าหลายองค์เนี่ย ท่านก็เลยแปลงกายเป็นพระพุทธเจ้าให้ดูใช้ลิศของท่านน่ะ น, นะพอแปลงพระรูปเป็นพระพุทธเจ้าโอ้โหพระเจ้าโศกศรัทธาเชื่อมั น, มนพระเจ้าโศกเนี่ยมองพระรูปของพระพุทธเจ้าเนี่ยที่ก า, าลนาคราชเนรามิดเนี่ยเจ็ดวันไม่กับเพพเนธนี่เขาเรียกว่าเป็นการถวายตาเป็นพุทธบูชา เ อ, อเราเคยเข้าห้องพระแล้วไปมองออวันนี้เราจะถวายตาถวายเป็นพุทธบูชาเคยๆนะ่ไหมได้มากเราไปมองอะไรเห็นดอกไม้งามๆก็มองสวยดีสวยทีจะไม่เราไปมองกามาคุณนี่เคยมีเรื่องเล่าอย่างนี้นะอันนี้คือผู้มีบุญนะตรงนี้บ่งบอกถึงว่านี่ไง ท่านเห็นบอกว่าข่าพระองค์เนี่ยดีแท้ข้าพระองค์ได้เห็นพระบรมคูได้เห็นสมเด็จพระผู้มีภาคดีแท้ข้าพระองค์ได้เห็นพระบรมศีสุขศได้เห็นพระองค์ผู้มีผู้ทรงสิริโสภาดดีแท้ข้าพระองค์ได้เห็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เห็นพระองค์ผู้ทรงแจกจ่ายซึ่งพระธรรมรัตนะบอกท่านชื่นใจแท้ๆที่ท่านได้เห็นได้เห็นพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นบรมคูนะแล้วก็ได้เห็นพระศีสุขศซึ่ง เป็นผู้ที่มีความงดงามมากมีสิริโสภาดมากคือพระรูปของพระพุทธเจ้าเนี่ยมีความงามมากเขาเรียกมหาปุริษลักษณะสามสองประการและนุพยัญชนะแปสิบเออถ้าเรามองผล ต, ตรงนี้ว่าทําไมพระพุทธเจ้ามีพระรูปงามก็ต้องดูเหตุถามว่าอย่างเราสามารถที่จะฝึกตนเองให้มีรูปงามอย่างพระพุทธเจ้าได้ไหมถ้าทําถึงก็ต้องบอกว่าได้นี่ไงคือพุทธศาสนาจุดเด่นพนะุทศาสนาอยู่ตรงเนี้ยอยู่ตรงที่ว่า การเป็นพระเจ้าไม่ได้จํากัดว่าต้องพระเจ้าองค์ปัจจุบันนี้เท่านั้นใครฝึกบา ร, รมีครบบริบูรณ์เท่ากับพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ก็มีโอกาสเป็นพระพุทธเจ้าได้นี่ไงน่าชื่ในใจไหมเรีกศาสนาที่ไม่ได้จํากัดสิทธิเสรีภาพแต่ยืนที่ว่าคุณทําถึงนะคุณสามารถที่จะบําเพ็ญบา ร, รมีคือทานศีนเเลเนค ข, ขามะปัญญาไปต้นเนี่ยให้ถึงไหม ถ้าสร้างเหตุปัจจัยให้ถึงเนี่ยก็สามารถที่จะมีพระรูปแล้วก็มีคุณธรรมเท่ากับพระพุทธเจ้าแล้วก็เป็นพระพุทธเจ้าได้คือสามารถจะฝึกแล้วเป็นไดแต่โดยส่วนใหญ่คนเมื่อไปรู้หรือไปเห็นระยะการเวลาแล้วก็ไม่กล้าไม่กล้าที่จะปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้านี่ล่ทีนี้นี่คือการถึงพระรัตนตรัยโดยการเป็นสิทธ์นะขอถึงเป็นสิทธิ์ฉะนั้นพระมหากระสบ ก็อยู่ในข้อนี้ที่ท่านขอเป็นสิทธิ์พุทธเจ้าหรือสิทธิ์ปรารตนาใจประการที่สี่ปานิปาตะสนะโคมการถึงสนะตรยัยในเป็นสรณะโดยการทําความเคารพนอบน้อมอย่างยิ่งการเคารพนอบน้อมอย่างยิ่งเนี่ยเออตรงนี้เขาเรียกว่าเป็นการถึงแบบปานิปาตะ ก็เป็นการถึงพระรัตนตรัยโดยการกระทำความคเคารพเมื่อเช้าเราขอถึงไปสองอย่างใช่ั้มตอนเย็นนี้เ อ, อภาคบ่ายที่จริงเรามาสมาทานเพื่อเกิดความคุ้นเคยแล้วก็ตั้งอัธยาศัยไว้นะเอาระนม <c oughs> มือเมื่อยไหมเมื่อยเลย ทำไมไม่ถามพระบ้างคะพระพูดนานๆไม่เมือ่อยจริงๆพระเมืนะ่อยอ่ะเราตั้งใจนะหายง่วงนี่อย่งตั้งใจอย่างตั้งใจที่อย่างเราตั้งใจแล้วเวลาเราไปสอนเด็กถามว่าเออแบบรู้ไหมเด็กพยักห น, น้าแล้วโกรธเด็กไหมเห็นโกรธเด็กก็เป็นแถวไม่ได้ห้ามพยักห น, น้านะไม่ใช่กิ้งกาอะรไรเงี้เนย ต้องตอบอะไรเงี้ยราพูดเงี้ยเวลาสอนนักเรียนพูดเงี้ยพอตอนนี้พอเกิดพระามาถามหน่อยเราก็ไปยักหน้าเงี้ยเป็นไงกรมตามสนองแล้ว <c oughs> ตรง น, นี้ก็ที่จริงเ็าไม่ไปยักหน้าให้ตอบถามตอบเมื่อยไหมเมือ่อยฝึกพร้อมที่จะฝึกตนเองไหมนะพร้อมนะอุตสาหะทุโมทนาด้วยนะตั้งใจกันดีจะอ่ะ อชะอาทิงกตะวาอาหังอภิวาทนังปัจจุ ป, ปัฏฐานังอัญชริกะอัญชรีอญริกัมังพุทธาทีนางเยวะติ น, นังวัตถุนังกโรมิอิติมังทาเรธาติ ข้าพเจ้ากระทำวันนี้เป็นวันเริ่มต้นตราบเท่าสิ้นชีวิตจักกระทำการอภิวาสต้ตอนรับอันฉาีกรรมแก่วัตถุทั้งสามมีพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสง ขอท่านโปรดทรงจํำข้าพเจ้าอย่างนี้เถิดอันนี้คือตั้งอัธยาศัยในการที่จะทําอัญชฉลีกรรมสามีจิกรรมเนอะก็คือการอภิวาสการกราบไหว้การต้อนรับทำอัญเฉลีกรรมแก่พระพุทธเจ้าได้ประทับได้ประสงค์เช่นการแสดงของพรหมายุครามเนี่ยพรหมายุคพามเนีน้อมศีรษะแทบพระยุคนบาทของพระบรมศาสดาเนีจมพิษพระบาศ ใช้มือทั้งสองนวดฟันแล้วก็ประกาศชื่อของตนนะเออพรหมยพรามณ์เนี่ยมีอายุร้อยี่สิบปีพอได้ยินว่าพระบระมา ศ, าศาสดาเนี่ยอุบัติเกิดขึ้นแล้วในโลกเนี่ยตนเองเป็นพราหมณ์ผู้เท่าใช่ไหมมีอายุตั้งร้อยี่สิบกว่าปีแต่ตนเองมีลูกศิษชื่ออุตะละมามนบเนี่ยชื่อมานพเนี่ยเออมีลูกศิษย์เนี่ยก็ส่งไปดูว่าเออเสียงคำล่ำหรือว่าพระบระมา ศ, าศาสดาเนี่ย เป็นพระอรหันต์เป็นผู้ไกลจากกิเลสแตัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองถึงพร้อมด้วยวิชาและถึงพร้อมด้วยจรณะสิเป็นาศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นผู้เสด็จมาดีแล้วเป็นผู้รู้แจ้งโลกเป็นาศาสดาของเทวดามนุษย์บอกว่าเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเป็นผู้จำแนกพระธรรมรัตนะเป็นผู้แสดงธรรมมีความงามในเบื้องต้นท่ามกลางและที่สุดถึงพร้อมในอัฏฐานและเพยาญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์ครบถ้วน เสียงขจรกระจายเล่าลือกันนะถึงที่สวดจริงๆเดี๋ยเข้ามาคุยกันยศถ้าสมัยก่อนเนี่ยนะเข้ามาคุยกันนะว่าเออพระเจ้ามีความมีความวิจิตงดงามอย่างนี้เออพระเจ้าเป็นพระอรหันนะพระเจ้าไม่มีราคาความกํำลัดไม่มีโทสะคือความโกรธไม่มีโมหะคือความมืดบอดมัวเมาลุ่มหลงไม่มีความเย่อหยิ่งถือตัวไม่มีความเห็นผิด ไม่มีความลังเล ส, สงสัยพระบรมศา ส, สดาลักิเลส ท, ที่เป็นเครื่องนอนเนื่องในขันในจิตใจได้แล้วคือเขาคุยกันบบเบ็ดเสร็จอย่างนี้ควรกเขตื่นเต้นเนี่ยเออแล้วพระเจ้าเคยบำเพ็ญบา ร, รมีมาอย่างไรก็เล่าสนทนากันอย่างนี้นะแล้วพระองค์ทรงมีพระรูปงามเนะมีมหาบุรีสละขนาดสามสองประการและนุพยัญชนะแปดิก็ไล่าตามลําดับเออมีพระเนตรก็งามตาทั้งคู่ก็ ง, งามเนะื้อประดุจดวงตาลูกโคอ่อน เออมีพระนาศิกก็งามเหมือนกันจมูกก็งามอ่ะมีพระเมารีก็งามจะ ม, มีพระขนงก็คิ้วก็งามมีพระเนตรงามมีพระพระทนเนี่ยนะก็งามมากเวลาแย้มพระโอษฐ์แต่ละทีก็มีมีแสงออกมาเนี่ยนะจากพระเขี่ยวแก้วเนี่ยก็เขาก็เล่าลือกันว่าจริงไม่จริงเนี่ยก็ล่ําลือกันในลักษณะเงี้ยพรามนี้ก็เอ๊ะ ก็บอกว่าถ้าจริงอย่างนั้นเนี่ยต้องเป็นพระเดจจ้าแน่นอนก็ให้ก็ไล่ตามลําดับเพราะพราหมณ์นี่ก็รู้วิชาบริสุทธรักขนาดสาสสองประการก็ให้ลูกศิษย์เรียนจนครบเป็ดเสร็จก็ส่งลูกศิษย์ไปลูกศิษย์เนี่ยตามเฝ้าดูพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยเจเดือนนะดูทุกียาบทแหละที่สุดจริงๆเ่ยจนมั่นใจว่าท่านผู้นี้เป็นพระเธเจ้าแล้วก็มากราบทูล ม, มากราบมากราบาา บ, าบอกอาจารย์อาจารย์เนี่ย พอทราบข่าวอย่างนั้นนะนะท่านก็แสดงหันหน้าไปทางทิศที่พระพุทธเจ้าประทับอยู่ออกพนะัแล้วก็ไปเฝ้าต่อมานะเดินทางรอนแลมไปเฝ้าพระพุทธเจ้พาพระมายุเนี่ยอายุตั้งยี่สิบอายุทั้งร้อยิปีเป็นพระมผู้เท่าเนี่ยพอไปถึงก็น้อมศีรษะแทบพระยุคนบาทของพระบรมศาสดาจุมพิษจุมพิษเห็นคนแขกไม่เวลาเขากราบจริงเนี่ยเขาจูบที่เท้าเนี้เขาเข้า จูบที่เท้าเออตอนนั้นไปอินเดียก็แปลกเวลาคนอินเดียเขามาเบสเสร็จเนี่ยเวลาเขาเคารพเราเนี่ยเข้ามาเบสเสร็จเขาคุกเขาเ่านีแล้วเขากราบเนี่ยติดเท้าเราเลยติดเท้าเนเรื่องกันพรามอายุาพามกันนวดนวดแล้วก็กราบแล้วก็ประกาศบอกพรามพรามอายุอาหารโพโคตโมพรามมโนเนี่ยบอกว่าข้าแต่เพราะ โคตมะผู้เจเริญข้าพระองค์เป็นพราหม์ชื่อพรมายุข้าแต่พระโคตมะผู้เจเริญข้าพระองค์เป็นพราม์ชื่อพรมายุการถึงสาธาคมนั้นน่ยไม่ใช่เฉพาะแต่กล่าวเพียงวาจานะว่าพุทธทงังสาธารฆะฉามีธรรมังสาธารฆะฉามีสังฆังสาธารฆะฉามีนะหรือแสดงการออกทางกายมีการนอบน้อมแบบเป็นจางข้าพเด์เป็นต้นนะแล้วจึงเป็นการถึงไตาสาธาคมไม่ใช่นะไม่ใช่เออใครกล่าวถูกต้องเป็นการถึงไตสรสาธาคมไม่ใช่ แท้ที่จริงอยู่ที่จิตนะมีศรัทธาเชื่อมั่นในพระรัตนตรัยอย่างมั่นคงอย่างแท้จริงเขาเรียกว่ามีศรัทธาเป็นมูลเข้าใจเขาเป็นมูลไหมศรัทธาเป็นประธานเชื่อมั่นไม่หวั่นไหวเชื่อถือว่าพระรัตนตรัยประเสริฐโดยปราศจากความลังเลสงสยัย และมีอะไรนําหน้ามีปัญญาที่เป็นสัมมาทิฏฐิเห็นแจ้งประจักษ์ว่าพระรัตรนตรัยมีประเสริฐเลิศจริงๆเพราะฟังข้อมูลมาอย่างดีเช่นนี้จึงจะเป็นการถึงโลคีสารณาคมโดยสมบูรณ์นะเพราะอะไรการถึงสารณาคมในลักษณะอย่างนี้เขาเรียกว่ามีปัญญานําหน้ามีปัญญานําหน้าเออถ้ามองอย่างนี้นะว่า ไตรสรณคมจะเกิดขึ้นได้ต้องอาศัยศรัท ธ, ธาเป็นรากเงาถ้าไม่มีศรัท ธ, ธาใจไม่เชื่อถือถึงจะออกวาจาตามพิธีก็ไม่เป็นการถึงไตรสรณคมอย่างสมบูรณ์เนะีท่านนับเอาศรัท ธ, ธานะเป็นหลักเป็นจุดใหญ่เ็ไว้เมื่อมีศรัท ธ, ธาเรื่อมใสธธเชื่อถือมัน่นว่าพระราตนะไตรประเสริฐยิ่งในโลกหาสิ่งใดเปรียบไม่ได้ เชื่อถือมั่นคงอย่างนี้แล้วก็อัญเชลีปนมนมัสการเช่นนี้เป็นการถึงไตรสันานาคมได้เห็นไหมว่าเวลาเราจะกราบเนี่ยให้ตั้งความเชื่อมั่นว่าไม่มีอะไรประเสริฐเลิอเท่ากับในโลกนี้นะในโลกนี้ในเทวโลกในพรหมโลกไม่มีอะไรประเสริฐเท่ากับพระรัตนตรัย ไม่มีอะไรประเสริฐเท่าพุทธรัตนะไม่มีอะไรประเสริฐเท่าธรรมรัตนะไม่มีอะไรประเสริฐเท่ากับสังขรัตนะใจที่มีศรัทธาเชื่อมั่นไม่หวั่นไหวอย่างนี้แล้วก็น้อมอัญเชิญกราบหรือทําพิธีกรรมลงไปอย่างนี้ถึงจะจัดว่าเป็นการถึงสถานะคมที่เป็นโลกีย้ยากยากไหมยากไหมยากเลอทีนี้พอมองตรงนี้แล้วก็ อะไรเป็นตัวอะไรเป็นตัวบั่นทอนทำให้สารณะเราเศร้าหมองรู้ไหมอะไรเป็นตัวบั่นทอนทำให้สารณะเราเศร้าหมองรู้ไหมรู้ไหมรู้การถึงสารณะนี่เนี้ย ถ้าเรามองอย่างนี้ก็คือว่าการเศร้าหมองของสารณะเนี่ยถ้าไม่ถืออย่างนี้สารณะจะเศ้าหมองอยังไงการถือตไตรสาสารณาคมที่เป็นโลกิยะเนี่ยคือสารณะมีสองอย่างนะจะประเด็นได้ถูกนะโลกิยาสารณาคมพวกเราที่กำลังถึงกันอยู่เนี่ยแต่ถ้าโลกกตระนั่นหมายถึงพระอริยาเรายังไม่ถึงนะทีนี้เดี๋ยวถามนิดนึงนะ ใครเชื่อเรื่องดวงดาวไหมว่าสามารถมีอิทธิพลต่อชีวิตพวกเราได้จริงอเชื่อใช่มเออใครเชื่อเรื่องการบุบานสารกล่าวไหมเชื่อว่ามันจะสามารถช่วยให้ชีวิตเราเนี่ยอยู่รอดปลอดภัยได้จริงเชื่อไหมเชื่อถ้าเชื่อเชื่อหมอดูไหมเชื่อไหมชื่อ เขาว่าเขาว่าผู้หญิงเนี่ยจะเขาเขาเคยทำสำ ร, รวจมานะผู้หญิงเนี่ยเชื่อเชื่อโชคเราเชื่อไหมว่าเออปีนี้คนเกิดปีมะนี่โชคไม่ดีเลยต้องไปแก้บนอะไรอย่างนี้เออนี่นี่เป็นเป็นประเด็นมานั่งคุยกันก่อนนะว่าตรงนี้ที่จะพูดสาณะเข้าไปเรื่อยเรื่อยรืยที่พยายามจะ น้อมนำเสนอก็ไปเรื่อยๆอยากไม่ใช่ไม่ใช่ไปทำลายความเชื่อเดิมเราแต่ต้องการให้เหตุผลแล้วเมื่อเข้าเหตุเมื่อเข้าถึงเหตุผลเบ็เศษแล้วเดี๋ยวเราจะได้คำตอบว่าอะไรเป็นคำตอบที่ที่ชัดเจนทีนี้เราก็มามาพิจารณาดูนะว่าเออในในลบบุรีเนี่ยเราคิดว่าไปไหว้พระที่ไหนที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุสด เรามั่นใจว่าพระพุทธโลปที่ไหนเนี่ยที่อยู่ในลบบุรีเนี่ยที่เราไปไหว้แล้วรู้สึกว่ามั่นใจองค์นี้ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดที่ไหนที่ไหนนะที่สารประการมีพ <Bruno poi> <liberties S 1> ุทธโลกไหมไม่มีอ่าไม่มีเอาไม่เอาถึงพุทธโลปก่อนอ่ะเรามั่นใจว่าที่ไหนที่เราไปไหว้แล้วเรามั่นใจว่านี่แหละพระพุทธโลปที่เนี่ยศักดิ์สิทธิ์มากมีไหมที่ลบบุรีมีไหมมีไม่มี หลวงพ่อแสงต้องไหนวัดไหนอ๋อหลวงพ่อแสงเนะเอยเราเชื่อว่าไปไหว้หลวงพ่อแสงใช่ไหมว่าศักดิ์สิทธิ์เพราะอะไรทีนี้ปรากฏว่หลวงพ่อแสงเป็นพุทธรูกไหมเป็นไม่เป็นเป็นพระพุทธรูปพุทธลูปก็คือพระทธเจ้าใช่อหมออแล้วนี่ล่ะที่ตั้งบนต๊ะหมู่ถ้าไหว้องค์นี้ศักดิ์สิทธิ์ไหเท่ากันไหม เท่าไม่เท่าเอาแลแต่นี้เอา้าแต่นี้ก็ลองประกับไปที่บ้านเราไปดูอะอครูท่านใดครูคนใดที่ที่บ้านไม่มีโต๊ะหมู่บูชามีทุกคนไหมอ๋อแต่แค่หิ่งเล็กๆเท่านะี้อ๋อ ถามว่าเราไปไหว้พระพุทธรูปที่บ้านกลับมาไหว้พระพุทธรูปคือกล่าวที่เรียกว่าหลวงพ่อแสงเนี่ยความเชื่อมั่นความศรัทธาของเราเนี่ยอันไหนมากกว่ากันฮะเราก็ แ, แสงมากกว่าเพราะอะไรไอ้ตุดตรงนี้นะต้องการจะชี้เห็นว่านี่ไง นี่แหละระบบระบบชาวพุทธส่วนใหญ่เป็นอย่างนี้จริงๆการถือไตรสถานะคมที่เป็นโลกียะเนี่ยอาจจะเศร้าหมองมีผลน้อยแต่ไม่ถึงขนาดขาดนะสาเหตุที่ทําให้การถึงไตราสรานะคมที่เศร้าหมองมีผลน้อยหนึ่งอายานะอายานะคือการถือไตราสรานะคมโดยปราศจากปัญญาไม่มีปัญญาก็คือไม่รู้ไม่ศึกษาให้เข้าใจในคุณของพระพุทธเจ้า ไม่รู้ไม่เข้าใจไม่ศึกษาดีในคุณของพระธรรมไม่รู้ไม่เข้าใจไม่ศึกษาให้ดีในคุณของพระสงฆ์ไม่เข้าใจว่าจะปฏิบัติอย่างไรในพระรัชนตรยัยการไม่รู้ไม่เข้าใจตรงนี้ก็เลยไปสาคัญว่าเอาอายุของหินเอาอายุของดินเป็นประมาณแล้วก็เอาค่านิยมของชนในกลุ่มนั้นๆเป็นประมาณในการที่เราจะเชื่อว่า เชื่อมั่นหรือไม่เชื่อใช่ไหมถามว่าจริงๆเวลาเราจะเคารพพระเจ้าเราเคารพที่ดินที่อิฐหรือก็ไปเคารพที่คุณถามว่าในช่างที่ชานฉลาดที่ปั้นพระรูปเหมือนของพระพุทธพาคเจ้าเนี่ยที่มีความงดงามมีพระเนตรมีพระเมาลีมีพระกันมีลำพระสอมีพระพาหามีพระขนงมีพระ ทานต่างอะต่างอ่ะมีพระโอษฐ์เนี่ยที่มีความงดงามทั้งหลายเราเนี้ยถามว่าที่เขาวาดมาเนี่ยเพื่อให้เราระลึกถึงอะไรให้ระลึกถึงพระสรีรคุณว่าพระเจ้าที่มีความงามในพระสรีรคุณอย่างนี้พาะพระองค์สร้างทานบา ร, รมีมาอย่างนี้จึงได้พระรูปอย่างนี้บาเพ็ญศีลบา ร, รมีอย่างนี้จึงได้พระรูปอย่างนี้ เนคข ม, มาบรบารมีปัญญาบา ร, รมีวิริยะขันติสัจจะอธิฐานเมตตาเวขาบา ร, รมีทรงบำเพ็ญทานบำเพ็ญศีลบำเพ็ญภาวนามาอย่างยาวไกลอย่างละเอียดอย่างประณีตอย่างสูงสุดอย่างไรกุศลกรรมที่พระองค์กระทํามาอย่างยาวไกลจึงมาตกแต่งพระรู ป, ปากายของพระบรมศาสดาให้มีพระรูปที่งดงามเหมาะสมแก่การที่เราได้ไปมองแล้วเห็นคุณเห็นพระจริยาคุณเห็นความงดงามของพระพุทธคุณ ของพระผู้มีพระภาคเจ้าการเห็นอย่างนี้ถึงจะเรียกว่าเป็นการเจาะเข้าไปเห็นคุณของพระราชนตาใยใช่ไหมแต่โดยส่วนใหญ่เราไปเห็นยังไงสมัยก่อนทนะ่เน้นรถก็เล่าอย่างมาฟังบอกว่าผมเนี่ยเวลาไปเนี่ยผมไปศึกษาเรื่องพุทธสินเน้นก็ไปศึกษาทาั้งด้านเออเนี่ยความงามของพุทธสินเป็นอย่างนี้ สร้างสมัยไหนใช่ว่าสมัยสุโขทัยก่อนหน้านั้นก็สมัยทวารวดีสมัยสุโขทัยสมัยอู่ทองสมัยอยุธยาสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นตอนกลางตอนปลายใช่ไหมล่ะอันนี้เห็นพุทธคุณไหมศึกษาแบบเนี้เห็นไม่เห็นไม่เห็นฉะนั้นที่จริงถามว่า ทีจริงน่ยจะถึงอยู่แล้วนะในบรรดาพวกไปศึกษาตรงนี้ถ้าเจาะทะลุทะลวงไปหน่อยเอาตรงนี้เป็นฐานเจาะเข้าไปถึงคุณสิใกล้จะถึงอยู่แล้วทําไมไปจออยู่แค่ตรงประวัติศาสตร์แค่ตรงนี้แล้วดีอยู่แล้วเพราะใจเราจอดจออยู่กับพระพุทธรูปใช่ไหมจอดจออยู่กับในเรื่องของพระพุทธเจ้าอยู่แล้วอย่างเงี้ยก็เจาะไปอีกหน่อยได้ไหมให้ให้เลย ประวัติตรงเนี้ยเข้าไปถึงคุณที่พระพุทธเจ้าบำเพ็ญทานมาอย่างนี้ให้ทานไว้เดี๋ยวไปดูนะว่าทานบารมีพระพุทธเจ้าทําอย่างไรศีลบารมีพระพุทธเจ้าทําอย่างไรเนี่ยกุศลกรรมที่พระองค์กระทามาจึงมาตกแต่งสรีระคุณรูปากายของพระพุทธเจ้าให้มีความงดงามเหมาะแก่การที่ไปมองแล้วเกิดศรัทธาเชื่อมัน่นว่ามนุษย์เนี่ยจากที่รูปไม่งามเนี่ยฝึกตนเองมาเป็นรูปงามได้ จากที่ไม่มีพุทธคุณภายในฝึกมาจนเป็นพุทธคุณและละกิเลสได้จริงนี่ไงความเชื่อมั่นตรงนี้ก็ทำให้เกิดศรัทธาเชื่อมั่นไม่หวั่นไหวในคุณของพระาาราตน้าไตรได้อย่างแท้จริงฉะนั้นกรณีการถึงไตรสารนาคมเนี่ยถ้าจะเศร้าหมองก็คือการขาดปัญญารู้ความจริงแต่ถ้ามีปัญญารู้ความจริงความเศร้าหมองจะหายไปไหมการถือแบบเศร้าหมองคาว่าเศ้าหมองแปลว่าอะไร แปลว่าจิตใจไม่มีญานะหรือปัญญาไม่รู้ไม่เข้าใจฉะนั้นต้องขจัดตรงนี้ออกไปก็จะทําให้พระรัตนตรัยเด่นขึ้นในใจเด่นขึ้นในใจและการถึงสารณะก็จะชัดเจนขึ้นประการต่อมาก็คือว่าสังสยาการถือตรัยสนานาคมโดยความเครือบแข็งสงสยัยเช่นสงสัยในพระพุทธคุณยอมเคยสงสัย เชื่อไหมพระพุทธเจ้าบำเพ็ญบา ร, รมีจริงๆฉะนั้นคนบางคนเนี่ยไม่เชื่อนะถ้ายกว่าบางประาทศพระพุทธเจ้าเป็นเป็นลิงเนี่ยเป็นพยาวา น, นอนเนี่ยที่ตอนบำเพ็ญบา ร, รมีเ้วบอกเป็นไปได้หรือทำไมพระพุทธเจ้าไปเป็น สัตว์เฉันจะสร้างบารมียังไงนี่เราไม่เชื่อไงเราไม่เชื่อว่าพระจริยาคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งทรงบำเพ็ญพระบารมีมาเนี่ยนั้นะตรงเนี้ถ้าไปเกิดความลังเลสงสัยไม่มั่นใจในพระจริยาคุณอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าสงสัยสงสัยอันนี้ส่วนประเด็นที่จะมาถามเจาะประเด็นว่าเออทุกคนเตรียมปัญหานะ ถ้าสมมติสงสัยประเด็นใดๆก็แล้วแต่ถามเตรียมปัญหาไว้แต่วันนี้พยายามเปิดประเด็นก็ไว้เดี๋ยวเรามีครูบาอาจารย์แล้วก็มีพระที่จะมาช่วยกันตอบข้อส้องใจเพื่อความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในคุณของพรดๆนะอาจารย์เนี่ยพ่อไปบอกว่าพระพเจ้าเคยเกิดเป็นกระต่ายก็มีพระธเจ้าเคยเกิดเป็นมนุษย์ก็มีพระเจ้าเคยเกิดเป็นพญาช้างฉัาดทันก็มีพระเจ้าเคยเกิดเป็นพญา น, นาคก็มีอย่างนี้เป็นต้น ที่ไปบำเพ็ญบา ร, รมีมาเนี่ยนะอันนี้ก็เกิดความเครือบแคลงสงสัยในพระจริยาคุณอีกส่วนหนึ่งก็คือสงสัยพระสรีลัคุณที่มีความงดงามส่วนหนึ่งก็คือเจาะที่สงสัยที่พระพุทธคุณส่วนพระธรรมว่าเอพระธรรมที่พระเจ้าทรงสแสดงเนี่ยจะเป็นประโยชน์จริงหรือจะสามารถนํากระแสชีวิตของเราพ้นจากว่าจัทุกได้จริงหรือพระสงสาวอกของพระเจ้าเมื่อเราไป สักถวายสักการาเพียงน้อยนิดมีผลมากมีอสุลงมากจริงหรือไม่ความลังเลสงสัยอย่างนี้ไม่เข้าใจตรงเนี้นะอย่างนี้เขาเรียกว่าสังเสยะอันนี้ทําให้พระรัตนตรัยเนี่ยการถือเน่ยเศร้าหมองเพราะเราไปตั้งความเรืองลังเลสงสัยในคุณของพระรัตนตรยัยเป็นไหมสงสัยหรือไม่สงสยัย ถ้าสงสัยในลักษณะอย่างนี้ก็เรียกสังสัยญาเนยประการที่สามก็คือมิจฉาญานะรู้ผิดรู้ผิดก็คือการถือพระรัตนตรัยเป็นว่าเออขอไปนะว่าใครคิดว่าขลังไหมเวาลาไปคารพพลโปเตียจเนี่ยที่ว่าเรามองว่าเป็นเหมือนเออไปอ้อนวอนเคยไหม ไปอ้อนวอนเข้าไปกราบพระก็อ้อนวอนเออที่หลวงพ่อโสธรแล้วก็หลวงพ่อวัดไร่ขงนะิงในประเทศไทยเนะี่ยแล้วก็ที่พิษณุโลกก็หลวงพ่อพระพุทธคินรัตนหลายคนเนี่ยไปขอลูกกันก็มี เ, เออไม่มีลูกก็ไปขออ้อนวอนขอลูก บางคนก็เออขอให้สอบได้ถามจริงไอ้ที่เรียนกันมาจนเป็นครูมาเนี่ยมีสักมีสักครั้งไหมที่ไปอ้อนวอนขอเลยมีไหมพูดความจริงมาไม่เป็นไรลรอกพระไม่ได้ว่าเลย <c oughs> มีไหมไม่เคยเลยเลยอเอาไปขอเอา เอาพระไปแล้วก็เออเอาดอกไม้ทูบเตียนไปเบีเสร็จก็บอกขอให้อยู่เย็นเป็นสุขมีพอมไหมขอให้ขอให้อยู่เย็นเป็นสุขขอให้ร่ำรวยฮะขอให้อยู่เย็นเป็นสุขเนาะขอให้สุขภาพแข็งแรงขอให้ปลอดภัยแคบ ข, ขาดใช่ไหม โดยเฉพาะนี่นะบางทีพระเบบินทบาทโยมที่อายุมากมากบางทีแ ก, ก็นั่งบางทีเราเปิดฟ้าบาทถึงสามครั้งนีแกไม่ยอมใส่สักทีแกที่ฐ <c oughs> <c oughs> านแกอยู่นั่นแหละที่ฐานไม่รู้แกที่ฐานแล้วก็เลยแอบถามแกถามโยมก็บอกแกขอให้ลูกที่ปลอดภยัยโอ้ลู ก, กเยอะนี่แต่ละคน ก, ก็นึกชื่อลูกทุกคนทุกคนยังไหม แล้วบอกโอ้โหเออยอมเขาขอจริงๆเนี่ยเขาบอกว่าขอให้ปลูกปลอดภัยนะขอให้ตนเองอยู่เย็นเป็นสุขขอให้พ้นจากอุปสรรคอันตรายขอให้น้ำไม่ท่วมเลยก็วาง ไ, งไปเอพ้าก็ยืนท่าจะขยับเออๆก็ยังไม่ได้สัก ท, ทีก็้เออนะ้ารอนานเลยบางทีแกนั่งนั่งหมอบลงไปเลยนะบางคนแกนั่งอธิษฐานอยู่นั่นเลยนี่ไง อย่างนี้เรียกว่าอ on ้อนวอนไหมอ้อนวอนหรือไม่อ้อนวอนคือคือลักษณะอย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นการเป็นการรู้ผิดนะอาทําไมจึงเรียกว่าอ on ้อนวอนเออตอนนี้นะาศาสนาอื่นเขาก็ขอเหมือนกันนะใช่ไหม เราจะได้ดูความต่างกันว่ามันต่างตรงไหนตรงนี้ทำความเข้าใจให้ดีนะเวลาเราไป ส, สื่อความหมายตรงนี้ขึ้นมาแล้วเราทำความเข้าใจผิดพลาดเนี่ยมันจะสื่อผิดพลาดทันทีเลยนะอย่าลืมนะถ้าถามบอกว่าเราเราก็เหมือนอ่อนวอนเหมือนกันเลยแต่เนี้ยเราไปขอว่าเพราะตอนเนี้ยเราเราปวดหัวเออเราตอนนี้เราป่วยเราไปขอให้เราหายป่วย ตอนนี้เราจนเราก็ไปขอไว้ให้เราหมดจากกอามยากจนตอนนี้ชีวิตของเราเนี่ยติดขัดมีแต่คนตําหนีมีแต่คนรังเกียจแรืง่งๆก็ไปขอให้คนรักเรามากๆไองเงี้ยนะไปไหว้พวระเบเสร็จไปขอเบเย็จแล้วก็กลับมานอนรอผลใช่ไหมได้มากเราอย่างเงี้ยแล้วเราก็มานอนรอผลแล้วก็รอเมื่อไหร่นะไอ้สิ่งที่เราขอจะได้สักทีเมื่อวานนี้เราก็ไปขอเหมือนลักขนาดเงี้ย เราจะไปสอบสมมุติเราจะไปสอบสมัครเป็นครูเนี่ยเราก็ไปอ้อนวอนไว้ก่อนใช่ไหมอ้อนวอนขอขอขออธิษฐานพอขอไปเสร็จปุ๊บล้วก็มั่นใจแล้วว่าหัวเราต้องได้แน่นอนพอมั่นใจไปเสร็จถึงเวลาเขาไปสอบเป็นอย่างนี้หรือเปล่าแล้วก็มารอผลถ้าไม่ได้แล้วก็ไม่ได้เป็นยังไง ทีนี้ตรงนี้ก็ต้องทำความเข้าใจชัดนะว่าการตั้งจิตในการที่ไปขอเนี่ยถ้าในทางศาสนาท่านเรียกว่าอธิษฐานแต่อธิษฐานกับขอเนี่ยมันคนละอย่างกันถ้าอธิษฐานเนี่ยแปลว่าตั้งใจมั่นและไม่ถอนความตั้งใจเช่นอธิษฐานว่า ถ้าไม่ได้บรรลุสัมมาสัมปิญาณจะไม่ถอนความเพียรจะไม่ถอนความตั้งใจก็ยิ่งระดอมความเพียรไปอย่างมุ่งมั่นเอาสัมมาสัมปิญาณเป็นตัววัดถ้าไม่ได้ก็ไม่หยุดเห็นไหมเนื้อและเลือดจะเหือดแห้งหายไปก็ตะจงเหือดแห้งหายไปเถิด จะเหลือแต่หนังเอ็นและกระดูกก็ตามทีถ้าไม่ได้สัมมาสัมปิญาจกไม่ลุกจากที่นั่งเห็นไหมเพราะอธิฐานปุ๊บก็ระดมความเพียรอย่างต่อเนื่องแล้วก็ไม่ยอมถอนความตั้งใจอย่างนี้เขาเรียกว่าอธิฐานทีนี้เวลาเราไปอธิฐานที่เราเรียกว่าไปเหมือนขอเนี่ยแล้วบอกว่าขอให้สอบได้เธอ กลับมาเราก็มันนอนสบายแล้วไม่ขวนขวายดูหนังสือหรือเปล่าที่จริงเพราะอธิษฐานอย่างนั้นเบเสร็จปุ๊บ ก, ก็ระดมความเพียรทุกอย่างบอกว่าเราได้ไปประกาศเจตนารมณ์แล้วว่าเราจะต้องสอบครูนี่ให้ได้ถ้าไม่ได้จะไม่ถอนความตั้งใจแล้วก็มาระดมดูหนังสือด้วยความภาคภูมิใจด้วยความมั่นใจด้วยความหมั่นด้วยความขยันด้วยความเพียรอย่างแรงกล้า แล้วไปสอบถ้าไม่ได้ครั้งนี้ก็ระดมดูไปเรื่อยๆครั้งนี้ไม่ได้แต่จกไม่ยอมถอนความตั้งใจอย่างเด็ดขาดจนกว่าจะได้มาซึ่งการสอบลักษณะนี้เขาเรียกอธิษฐานใช่ไหมเราแต่เราไม่ได้ทำกันแบบนี้นี่พอไม่ได้ทำอย่างนี้เ้าเรียกว่าเป็นการร้องขอรอผลดนบันดาลซึ่งมัน ไม่ตรงกับหลักการอธิษฐานในคำสอนของพระพุทธเจ้าฉะนั้นคำว่ามิจฉาญาณก็คือรู้ผิดรู้ผิดเข้าใจผิดว่าการถือไตรสารณาคมการเข้าไปเฝ้า พ, พุทธเจ้าการเข้าไปคารพพระธรรมและพระสงฆ์เนี่ยก็คือการลอ็อกร้องขอแล้วก็มานอนรอผลโดนบันดาลซึ่งมันไม่ใช่ แต่แท้ที่จริงแล้วเป็นการไปอธิษฐานเพื่อให้เกิดความมั่นใจเมื่อได้รับความมั่นใจในแรงอธิษฐานก็บอกว่าจะไม่ยอมถอนความตั้งใจอย่างเด็ดขาดแต่ต้องอย่าลืมนะเวลาไปตั้งจิตอธิษฐานในเรื่องของประรนตนรัยนั้นเป็นเรื่องของความดีนะไม่ใช่บอกว่าเอาละไอ้คนคนนี้เราจะจองล้างจองจองผานแล้วเราจะไม่ถอนความตั้งใจเราจะตาม พยาบาทให้ถึงที่สุดอย่างนี้เรียกว่าอธิฐานไหมเรียกหรือไม่เรียกอย่างนี้เาเรียกอาฆาตเขาเรียกพยาบาทเขาเรียกจองเวนกันแล้วอันนี้ไม่เรียกว่าอธิฐานแต่อธิฐานเป็นเรื่องของความดีเป็นเรื่องของการที่จะบำเพ็ญความดีเพื่อจะเข้าถึงความดีนั้นๆ น, น, นี่เข้าใจกันว่าแต่ว่าชาวพุทธส่วนใหญ่อ้อนวอนไหม อ้อนวอนแล้วก็รอผลดนบันดาลไหมถ้าอย่างนี้การถือสารณาคมเศร้าหมองหรือไม่เศร้าหมองเศร้าหมองตัวพัตนาไตรไม่ได้เศร้าหมองนะแต่ใจของเราที่เข้าไปถือเพราะไม่มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเป็นมิจฉาญาะเป็นการปฏิบัติที่ผิดนี่แหละเออเป็นการรู้ที่ผิดนี่แหละมันก็เลยการอ้อนวอนตรงนี้ก็ขจัดทิ้งเสีย ประการต่อมาก็คือมิจฉาประวติการถือไตรสนณคมโดยการรู้ผิดเออกเข้าไการถือไตรสนณคมโดยการปฏิบัติผิดไปจากพุทธโอวาทเอาอะไรแต่นี่นะปฏิบัติผิดจะอุเช่น อ, อ, อย่างนี้ต้องเมื่อเช้าเมื่อเช้าฟังฟังสมณเ น, นพูด สมณเณรเคยบอกว่าอยากจะดึงพลังจากฟ้าใช่ไหมล่ะดึงพลังจากฟ้ า, า, ก, ฟาก็คืออยากจะเป็นผู้ยั่งรู้ฟ้าดินนี่สมณเณรพูดเองนะอยากจะรู้อย่างรู้ฟ้าดินนี่ก็ทําให้นึกถึงสมัยก่อนที่เป็นคาวาสเนี่ยเอเมื่อตอนสมัยก่อนก็จะมีหลักสูตรของสามก๊กเอามาเรียนกันใช่ไหมเขาบอก ปรัดยาของของเบ้งเนี่ยเขามีปรัดยาขเขาอยู่ว่าคืออย่างเป็นผู้อย่างรู้ฟ้าดินใช่ไหมเราที่จริงลักษณะอย่างนี้เขาเรียกมิจฉาประวติเป็นการปฏิบัติผิดไปจากพุทธโอวาทเนยเพราะจริงๆแล้วเนี่ยการจะรู้เนี่ยนะการที่จะรู้เนี่ยมีวิธีการปฏิบัติได้จริงๆด้วย เช่นพระพุทธเจ้าเนี่ยพระเจ้าเป็นโลกาวิทูเนียเป็นผู้รู้แจ้งโลกพระเจ้าบอกว่าถ้าปราถนาอยากจะอย่างรู้ฟ้าดินหรือรู้โลกนี่นะรู้ทุกโลกด้วยในแสนโกฏจักรวาลเนี่ยสามารถที่จะมียานปัญญาที่เปสามารถเจาะทะลุทะลวงได้ทุกโลกได้ด้วยแต่ให้บำเพ็ญบา ร, รมีฝึกตัวเองแบบเนี้บำเพ็ญทานบา ร, รมีอย่างไรบำเพ็ญศีลยังไง บำเพ็ญเนขมมกขม้าคือการออกจากกาบยังไงบำเพ็ญปัญญาบารมียังไงแล้วก็บำเพ็ญวิริยะยังไงบำเพ็ญขันติยังไงที่เป็นบารมีเนี่ยนะบำเพ็ญสัจจะอธิษฐานเมตตาและก็เบขาบารมีอย่างไรแล้วก็ใช้เวลาในการบำเพ็ญมาแค่ไหนอย่างไรเดินตามคําสอนเดินตามพุทธโอวาตามลําดับอย่างเนี้ยที่สุดจริงๆ จ, จะเป็นผู้ที่ สามารถรู้สรรพสิ่งทุกอย่างได้ด้วยเออพระเจ้าบอกไว้นะอย่างเงี้ยถ้าพูดถึงอย่างเน้นสมเนินรู้ดีเนะีตอนนี้เวลาเข้ามาอย่างนี้เเบสเสร็จเนี่ยสมใจแน่ถ้าได้ศึกษาเนี่ยใช่ไหมสามารถที่จะรู้ถ้าถ้าเดินตามจริงๆเนี่ยนะเดินตามพุทธโอวาจริงๆเนี่ยนะไอที่ตั้งใจว่าโอ้อยากจะพูดอย่างรู้ฟ้าดินเนี่ยรู้ได้จริงๆเนอะ เพราะว่าเดินตามพุทธโอวาถ้าอย่างนี้ปฏิบัติถูกเพราะสร้างเหตุถูกผลมันก็จะเข้ามาถูกดังนั้นคำว่ามิจฉาปวัตินี่ก็คือการปฏิบัติผิดไปจากพุทธโอวาเช่นพระพุทธเจ้าสอนว่าการเข้าไปนอบน้อมพระรัตนตรัยเนี่ยไม่ใช่ไปร้องอ้อนวอนลอผลดลบนะไม่ใช่ไปร้องขอแล้วไม่ใช่มาไม่ทาอะไร แม้ถ้าพูดไปจริงๆคำว่ามิฉาปวติจริงๆอะมาไม่อยากจะตามเจาะลงประเด็นลึกพูดไปก็อางทีเกงใจกันอยู่พวกวันแรกอะ่ะก็กลัวพูดเจาะตุ้มๆไปมันจะสะเทือนใจกันเยอะนะเข้าใจใช่ไหมที่อามาพยายามยั้งย้งยงยังย้เนีเดี๋ยวเกิดโอ้หวันพวกนี้ไม่ไหวพระพระพูดแรงกเกินเลยกันเ่อหวงกันคืออย่างนี้ อถ้าให้สังเกตดูเอ า, เอ า, เอา ด, ดูคนอื่นถน้ไม่ดูพวกเราเนี่ยเราจะมองเห็นภาพตอนนี้ประเทศเราเนี่ยพอเกิดเริ่มกรณีปัญหาแรงต่างเกิดขึ้นมาก็จะมีนั่งเสื้อพิมพ์ออกมาว่าหมอทำนายว่าปีนี้จะเกิดเหตุการณ์หนองเลือดสมมุติเงี้ยนะก็จะทายกันอย่างเงี้ยได้หมอคนหนึ่งก็บอกว่าเออเนี่ยจะต้องมีการเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างเงี้ยนะ อันนี้แปลว่าอะไรรู้ไม้มสภาพสังคมไทยเราเนี่ยปฏิบัติผิดจากพุทธโอวาทเราไม่เชื่อมั่นในคำสอนของพระเจ้าเรากลับเอาความเชื่อของเราเนี่ยไปไว้กับการทำนายทายทักซึ่งมันไม่ดีจริงเลยมันไม่ดีจริงเลยทีนี้สภาพสังคมตั้งแต่ระดับบนยันระดับล่างเนี่ยเราเอาความเชื่อไปไว้ตรงนี้หมดแล้วเนี่ย พอเอาพุทธโอวาทมากลางดูในพระไตรปิฎกไปเสร็จปุ๊บทุกคนมองผ่านว่าเออไม่เชื่อมัน่นพระเจ้าสอนเรื่องเหตุกับผลบอกว่าจริงๆเนี่ยการทำนายทายทักเนี่ยมันจะถูกมันจะผิดมันไม่ได้อยู่ตรงที่การทำนายทายทักแต่มันอยู่การสร้างเหตุว่าถ้าคุณประกอบเหตุที่จะเป็นไปต่อความเสื่อมมันเสื่อมแน่นอนนะ เ, เช่นเหตุของความแตกแยกเนี่ย ถ้าจะทําทให้แตกแยกแล้วจะทําให้เกิดสงครามกลางเมืองก็ได้ไม่ยากหรือจะทําให้สามัคคีมีความรักมีความปลองดองมีความกลมเกลียวกันเกิดขึ้นในประเทศชาติในสังคมก็ได้ถ้าสร้างเหตุถูกทั้งหมดมันอยู่ที่เหตุว่าประกอบเหตุอย่างนี้ผลมันจะออกมาอย่างนี้ถ้าสร้างเหตุอย่างนี้ผลมันจะออกมาอย่างนี้ถ้าเหตุผิดเหตุมันไม่ดีผลมันก็ไม่ดีถ้าเหตุดีผลมันก็ดียกตัวอย่างเช่นความลิสเสและความตันนี มันก็เป็นเหตุแห่งการแตกแยกเอายกตัวอย่างเช่นถ้าเห็นในกลุ่มหนึ่งที่เราไม่ชอบแล้วได้ดีเนี่ยเราทนไม่ได้เราทนไม่ได้ไไดใจเราจะขาดเพราะไม่ใช่พวกเราที่ขึ้นไปได้ดีดดในการไปคุมบังเหียนทุกๆระดับตั้งแต่ระดับหมู่บ้านตำบลอำเภอจังหวัดภาคประเทศถ้ามีใครที่มันไม่ใช่พวกเราเนี่เข้าไปอยู่ตามจุดต่างๆเหล่านี้เรารู้สึก ลษยาไม่สบายใจแล้วไม่ปราถนาอยากจะให้เขามีอันเป็นไปเราอยากเจ้าพวกเราเห็นไหมเนี่ยหนึ่งส่วนพวกที่ไปยืนอยู่ตามจุดต่างๆที่ตัเองมีหน้าที่ตรงนั้นก็หวงก็เกาะไว้ยังบะดุดังเสื้อกเกาะไม่อยากจะสลัดตำแหน่งหน้าที่ตรงนั้นออกเห็นไหมสรุปก็คือก็เครียดถ้าใครจะมาแย่งตำแหน่ง ถ้าใครจะมาแย่งสถานะตัวเองก็หวงเหมือนเรามีทรัพย์เนี่ยเรก็หวงทรัพย์มีบุตรมีภรรยาทั้งหลายหวงไม่อยากจะให้ใครมาเกี่ยวข้องอย่างนี้เป็นต้นเห็นไหมว่าไอ้ความลิสยาไม่อยากให้กนอื่นได้ดีกับความตนีถ้าเราสร้างจิตของเราที่เป็นใบรกระทสะแล้วก็มีการประัะสาวะไลยกันมีการใส่้ายป้ายสีกันมีการกระทบกระทั่งกัน มีการแกล้งแย่งชิงดีชิงเด่นกันอย่างนี้เสร็จก็ต่อสู้กันในยคุณอำนาจที่กิเลสความฝ่ายต่ําต่างๆมาเกิดขึ้นในใจที่สุดยิงแตกแยกไหมก็แตกแยกนี่ผลของการแตกแยกถ้าไปดูในชั้นคำคําสอนนะว่าการแตกแยกกรรมที่ทําจากโทสะกรรมที่ทําจากลิษยากรรมที่เกิดจากการแตกแยกเนี่ยจะเป็นปัจจัยทําให้เกิดอุทกภัยใหญ่ แลเกิดจริงไหมล่ะเห็นไหมกรรมที่มนุษย์เข่นฆ่ากันปัสสาวะร้ายการแตกแยกกันทําลายล้างการหักล้างกันด้วยอำนาจของโทสะด้วยอํานาจของลิษยาด้วยอำนาจของพยาบาทด้วยอำนาจของการใส่ร้ายกันที่สุดจริงๆกรรมที่ทําทางกายทางวาจาทางใจที่การละเมิดศีลการละเมิดชีวิตและทรัพย์สินซึ่งการและการเบียเศจมีการปัสสาวะร้ายเข่นเข่นฆ่ากันอย่างเงี้ย ที่สุดจริงๆจะเป็นเหตุทําให้เกิดมหันตภัยคือน้ำแล้วมันเกิดจริงอะไเงี้ยเอาถ้าลองทําต่อแต่เนี้เอาแล้วเราจะไม่หยุดเราจะสร้างเหตุปจัจจัยนี้เรื่อย ๆ, ๆ, ๆ, ๆ, ๆที่สุดจริงๆก็เดี๋ยวก็มันไม่ก็ไม่หยุดแค่นั้นนะเข้ามันก็เรียบร้อยให้สังเกตนะบางคนเราบอกอีเราไม่ไปแตกแยกกับเขาทําไมมันท่วมบ้านเราเคยสังเกตไหม่นะ เห็นไหมที่จริงเป็ดจริงหรือไม่ที่เราไม่ได้ไปร่วมกับเขาบางทีเราดูข่าวเวลาเราดูข่าวทั้งหน้าหนังสือพิมพ์ก็ดีทั้งวิทยุก็ดีทั้งโทรทัศน์ก็ดีเนี่ยใจเราลุ้นเลือกข้างไหมหรอเลือกหรือไม่เลือกเห็นไหมใจเราก็เลือกก็แล้วก็ตําหนิคนที่เราไม่ชอบแล้วก็ชื่นชมคนที่เราชอบไอการที่เราไป คิดแล้วก็ประทุษร้ายอีกฝ่ายหนึ่งแล้วก็มาชื่นมชมอีกฝ่ายหนึ่งเราก็มีเป็นผู้ที่ร่วมขบวนการไปด้วยฉะนั้นถ้าหากมันจะเกิดภัยในการที่จะทําให้เราประสบภัยไม่แปลกเป็นเรื่องปกติลักษณะอย่างนี้เขาเรียกเป็นการปฏิบัติผิดจากพุทธโอวาสนะนี่ยเขาเรียกปฏิบัติผิดจากพุทธโอวาสเพราะจะมองเห็นได้อย่างสักเครื่องหนึ่งนี่เขาเรียกมิจฉาบรวณติ ประมาณในกรณีอย่างนี้ก็คือว่าเพราะเป็นการปฏิบัติที่ปราศจากกรรมสกทาปัญญาปัญญาในการรู้เรื่องกรรมและผลของกรรมแท้ที่จริงทั้งหมดเนี่ยมันเรื่องของปัญญานะการถึงสารณาคมเนี่ยถ้ามีปัญญาที่ไปเข้าไปรู้เรื่องกรรมและเรื่องผลของกรรมได้อย่างชัดเจนถ้าอย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นการเข้าถึงสารณาคมที่ชัดเจนเอภิการสุดท้ายนะอนาธระ การถือตรายสถานคมโดยไม่เอเื้อเฟื้อต่อพระราชนตรัยก็คือไม่ไม่เคารพ อ, อย่างจริงจังไม่ได้ระลึกถึงพระเจ้าพระธรรมพระสงฆ์นะไม่เคารพ อ, อย่างแท้จริงพอเป็นพิธีกรรมถ้าในกรณีอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นการถือสถานะคมที่ไม่ไม่เคารพ อ, อย่างจริงจังนั่นเองพอจะเข้าใจอย่างนเดียนี้เดี๋ยวให้พระเดียมาจะให้พระท่านมาสรุปสัก สิบหรือ้านาทีหรือยี่ิบนาทีน ะ, ะเดี๋ยวนี้มลท่านมาหาอํนาจมาสรุปประเด็นที่พูดมาได้มาถามโยมด้วยเนาะท่านมาหาอํนาจเนี่ยท่านจบป ร, ริญญาธรรมเก้าประโยคน์จบหลายอย่างเอาแค่ป ร, ริญญาธรรมเก้าประโยคก็พอเนี่ยท่านมีความรู้พอสมควรที่จะมาตอบประเด็นปัญหาเราทั้งหลายขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง ขอนอบน้อมพระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอนอบน้อมพระอริยสงฆ์ประกอบด้วยพระอริยบุคคลแปดจำพวกขอถวายความเคารพพระอาจารย์สมทบพระรตกมลเจริญพรญาติโยมเราก็ได้ฟัง การถึงไตสรณคมมาพอสมควรก็คิดว่าตอนนี้พวกเราพร้อมแล้วที่จะปฏิบัติกันปฏิบัติการถึงไตสรณคมก่อนที่เราจะปฏิบัติกันนี้นะอาตมาคิดว่าหลายๆคนคงเคยปฏิบัติ ตามแนวของพระพุทธศาสนามาบ้างแล้วบางคนถึงขนาดเจริญสมถะบางคนถึงขนาดเจริญวิปัสนามาแล้วหรือบางคนยังต่อแตะต่อแตะแค่พื้นฐานวันนี้เราจะมาลองปฏิบัติลองปฏิบัติ ดูว่าสิ่งที่เราฟังมาตั้งแต่เช้าจนถึงตอนนี้เราเข้าใจไปขนาดไหนแล้วนะลองดูว่าเราจะปฏิบัติอย่างไรขั้นแรกของการปฏิบัติการถึงไตสรณคมนี่ไม่ยากอย่างที่คิดอย่าคิดว่าคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยโหช่าง ลึกซึ้งหรือเกินจนปฏิบัติไม่ได้ยมอย่าคิดอย่างนั้นเพราะคำสอนของพระพุทธเจ้าเกิดจากธรรมชาติเกิดจากชีวิตประจำวันของมนุษย์นะพระองค์ที่พระองค์พยายามที่จะฝึกตนเองเพื่อตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อนาเวนัยสัต์ออกจากวัตทุกเนี่ยพระองค์ต้องหาวิธี ที่สามารถที่จะนำเวเนยศัตว์หรือสัตว์ทั้งหลายนั้นประพฤติปฏิบัติขัดเกลวได้เออเพื่อ อ, อกจากวัตจัทุกข์ได้ดนั้นมันจะต้องเป็นเรื่องในชีวิตประจาวันของเราการปฏิบัติธรรมจะต้องเป็นเรื่องในชีวิตประจำวันของเราอย่างเช่น โยมจะเข้าถึงใจสาธาคมเข้าถึงพระพุธะทธธรรมพระสงฆ์อย่างง่ายๆเลยโยมทำอยู่เป็นประจำอยู่แล้วอย่างเช่นการไหว้พระสวดมนต์โยมทำไหมทำทำไมตอบแบบกิ้งกาจังเลยโยมทำทุกวันไหม ไม่ทุกวันเวลาคุยกับพระไม่ประนมมือหน่อยเหรอเออถ้ายังไม่ทำทุกวันแสดงว่าไตาสรณคมของเรายังไม่แน่นแฟ้นยังมีศรัทธาที่มุ่งตรงต่อพุทธเจ้านั้นยังไม่เพียงพอยังไม่หนักแน่นเราต้องตั้งสัจจา ก, กับตัวเองเลยว่า ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเราจะกราบพระไหว้พระสวดมนต์เป็นประจำทุกวันถ้าวันไหนไม่ทำยอมตายนี่เรียกว่าการถึงต่สนาคมโดยมีชีวิตเป็นที่สุดรอบที่เราเปล่งวาจานะพุทธทางชีวิตต่าง หรือ ช, ชีวิตตังปริยันตังสารนังขะฉามิข้าพเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าโดยมีชีวิตเป็นที่สุดรอบถึงพระพุทธเจ้าเป็นสาระตลอดชีวิตอย่างนี้พอจะทำได้ไหมสวดมนต์ทุกวันเหมือนเป็นเรื่องยากใช่ไหมในชีวิตเรา ถ้าบอกว่าข้าพเจ้าขอถึงทีวีตลอดชีวิตอย่างนี้ง่ายไหมโยมง่ายกว่านะเห็นไหมว่าจิตใจของเราเนี่ยเหมือนกับน้ำน้ำที่ไหลสู่ที่ต่าเสมอฉันใดนะจิตใจของคนและสัตว์จิตใจของเราก็เป็นอย่างนั้นมักจะไหลไปในที่ต่ำเสมอ แล้วบอกว่าไหว้พระทุกวันเนี่ยทําไม่ได้แต่บอกว่าดูหนังทุกวันทําได้อย่างนี้เราก็ต้องเลือกเอาแล้วโยมว่าในอนาคตเราต้องเลือกเอาแล้วว่าในอนาคตเราจะมักกลับมาเป็นมนุษย์อีกครั้งหนึ่งไหมหรือไม่อยากเป็นมนุษย์อีกแล้ว ถ้าอยากเป็นมนุษย์ต่อถึงตจสาธาคมถ้าไม่อยากเป็นมนุษย์ต่อก็เลือกทีวีเป็นสาารณะอย่างนี้ดีไหมโยมโหดร้ายไปไหมเนี่ยไม่ใช่เป็นเรื่องของการโหดร้ายนะโยมนะเป็นเรื่องของที่โยมจะต้องเลือกเพราะโ ย, ยมเกิดมาเป็นมนุษย์พบพระพุทธศาสนาแล้ว ถ้าพบพระพุทธศาสนาแล้วไม่เก็บหรือไม่ตักตวงกำไรที่เกิดมาได้พบพระพุทธศาสนาชื่อว่าเราขาดทุนไหมโยมชื่อว่าเราเป็นผู้ขาดทุนนะถ้าคนขาดทุนเนี่ยจะอยู่ได้ไหมถ้าเกิดตั้งบริษัทมาขาดทุนจะอยู่ได้ไหมพ่อแม่เราครอบครัวเราพี่น้องเราญาติเรา ก็ไม่ได้รับประโยชน์จากการที่เราตั้งบริษัทนั้นการเกิดเป็นมนุษย์ก็เช่นเดียวกันถ้าเราเจอพระพุทธศาสนาแล้วแต่กลับไม่ได้ประโยชน์จากพระพุทธศาสนาคือเราไม่เข้าถึงใจสรณาคมก็ชื่อเราว่าชื่อว่าเราขาดทุนเพราะขาดทุนก็เสียประโยชน์ประโยชน์แบบไหนโยมศรัทธาเป็นประโยชน์ ศรัทธาที่มุ่งตรงต่อพระพุทธเจ้าเรียกว่าตถาคตโนะพธิศรัทธาความเพียรที่มุ่งมั่นนะโดยตั้งไว้ในใจว่าแม้เนื้อลเลือดแม้เนื้อและเลือดจงเหือดแห้งไปเถิดจะเหลือหนังเอ็นกระดูกก็ตามทีถ้าไม่ประสบความสำเร็จนะถ้าบารมียังไม่เต็มถ้าเรายังไม่ถึงไตรสรณะมโดยมีชีวิต เป็นเดิมพัน์เราจะไม่ล้มเลิกความตั้งใจในี่เรียกว่าประโยชน์สติเป็นประโยชน์สติสติคือสามารถระลึกสิ่งที่ทำคำที่พูดได้แม้ยาวนานสมาธิคือความตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์เดียวอยู่ในเรื่องเดียวนานๆได้ยาวนานปัญญาคือรู้ สภาพตามความเป็นจริงนี้เป็นประโยชน์นี่เป็นสาระประโยชน์คือศีลสาระประโยชน์ประโยชน์คือสมาธิสาระประโยชน์คือปัญญาสาระนี่เรียกว่าเราไม่ขาดทุนแล้วที่เราได้เกิดมาเป็นมนุษย์พบพระพุทธศาสนาไหว้พระสวดมนต์เป็นประจำทุกวัน เคยนำน้ำมาบูชาพระพุทธเจ้าไมโยมนำน้ำมาบูชาพระพุทธเจ้าไหมใครเคยทำนี่เรียกว่าทำสาระแล้วการเขาถึงพระพุทธเจ้าก็นำวัตถุสิ่งของนำวัตถุสิ่งของนำปั จ, จัจสี่มาบูชาพระพุทธเจ้าถ้าเราทำเป็นเป็นประจำชื่อว่าเรา ถึงไตรสรณาคมมีการนำน้ำมาบูชาพระพุทธเจ้าถ้าวันไหนไม่บูชาพระพุทธเจ้าวันนั้นจะไม่กินน้ำชื่อว่าถึงไตรสรณาคมโดยมีชีวิตเป็นที่สุดมีอัตภาพเป็นที่สุดมีอวยวะเป็นที่สุดมีร่างกายเป็นที่สุดก้าทรรมโยม นำน้ำบูชาพระพุทธเจ้าทุกวันถ้าวันไหนไม่นำน้ำบูชาพุทธเจ้าจะไม่แตะต้องน้ำเลยจะไม่กินน้ำเลยทำได้ไหมโยมยากไหมฮะทำไมค่อยจังไหนพร้อมกันสิถ้าวันไหนไม่ได้นำน้ำบูชาพระพุทธเจ้าจะไม่กินน้ำจะไม่ดื่มน้ำอ่า ทำไมเงียบล่ะเอา้าลองว่าพร้อมกันถ้าวันไหนข้าพระเจ้ายังไม่บูนำน้ำบูชาพระพุทธเจ้าข้าพระเจ้าจะไม่ดื่มน้ำตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปกล้าไมโยมนี่สมาทานกับพระแล้วนะ ท้าไม่ทำแสดงว่าโกหกพระนะโกหกพระบาปมากไหมเออถ้ารู้เรารู้ว่าบาปแล้วเราควรจะทําทุกวันนะเมื่อเชา้านี้บอกสามเณรนะบอกเนรนําน้ําบูชาพระพุทธเจ้าหรื อ, อยังเนนก็หาใหญ่เลยพระพุทธเจ้าอยู่ไหนเนาะในห้องนอนไม่มีพระพุทธเจ้า ก็เลยบอกเอา้างั้นเนนคิดเอาสัมมเนนคิดเอ้าว่าจะบูชาพระพุทธเจ้าแบบไหนก็เลยให้น้ําสัมมเนนไปสัมมเนนก็เข้าไปที่นอนเลยกราบทิ้นตากราบหมอนสามครั้งแล้วก็สาธุขอ น, นําน้ําบูชาพระพุทธเจ้านี่เรียกว่ากระบี่ไหลเทียมทานเรียกว่าไหลเทียมทานแล้ว หมายถึงว่าไม่ต้องมีพระพุทธเจ้าอยู่แล้วสามารถนึกถึงพระพุทธเจ้าอยู่ในใจได้ตลอดไม่ใช่ว่าเราไปที่อื่นนะที่บ้านเรามีหิ้งพระพอไปที่อื่นไม่มีหิ้งพระเลยไม่ต้องบูชาอย่างนั้นใช่ไหมโยมไม่ใช่แม้แต่อยู่ที่ไหนเราก็ต้องหันหัวหันหน้าหรือเปล่งวาจาบูชาพระพุทธเจ้าตลอดนี่คือถึงไตสันนคม ไม่ใช่ไปเที่ยวต่างจังหวัดไม่มีพระพุทธรูปเลยเราไม่ต้องบูชาไม่ใช่นะไปต่างจังหวัดอย่างนี้ไหนใครยังบูชาพระพุทธเจ้าอยู่เวลาไปเที่ยวโอ้โหยังมีอยู่ยังหลงเหลืออยู่หนึ่งชีวิตนอกกนั้นไม่ได้นึกถึงเลยใช่ไหมถ้าวันไหนเราไม่ เราไม่นำข้าวปลาอาหารที่เรามีอยู่เนี่ยให้คนอื่นก่อนหรือบูชาพระพุทธเจ้าก่อนเราจะไม่กินหนักไปไหมเนี่ยถึงขนาดเสียชีวิตเลยนะแต่ถ้าเกิดเราต้องการที่จะถึงไตรสรนคมแบบนี้แบบมีชีวิตเป็นเดิมพันพุทธทางชีวิต ตังนะปริยันตังสารนางขะฉามิข้าพเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าเป็นสารณะโดยมีชีวิตเป็นที่สุดรอบแสดงว่าข้าวปาหารที่เรามีอยู่ต้องบูชาพระพุทธเจ้าก่อนนะไม่งั้นที่สมาทานไปเป็นการโกหกอยากโกหกไหมแต่ถ้าไม่ทา ชื่อว่าเราไม่มีความพยายามเลยชื่อว่าเราเป็นผู้ประมาทอยู่ดังนั้นต้องสมาทานไว้เป็นประจำก่อนแล้วพยายามนะแล้วพยายามนะโยมนะพยายามให้มันเกิดขึ้นในชีวิตประจําวันให้ได้ทุกวันวันนี้ทําไม่ได้อย่าคิดว่าโอ้ยเราเนี่ยวาสนาน้อยอย่าเพิ่งคิดอย่างนั้นโยมสักวันหนึ่งเราต้องทําให้ได้ต้องบอกอย่างนี้ คิดอย่างนี้ทุกวันก่อนให้ยองคิดอย่างนี้ทุกวันว่าเราจะมีสาระมีไตรสารณคมเป็นที่พึ่งตลอดชีวิตคิดอย่างนี้ทุกวันก่อนแล้วก็ทําเรื่อยๆทําทุกวันทําทุกวัน น, นําน้ํามาบูชาพระพุทธเจ้าทุกวันให้ระลึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นประจําทุกวันก่อนกินข้าวบูชาพระพุทธเจ้าก่อนเป็นประจําทุกวันหรือ ข้าวปลาอาหารที่เรามีอยู่เนี่ยให้คนอื่นก่อนถ้ามีโอกาสให้คนอื่นก่อนเลยถ้าไม่มีคนให้จริงๆเราสั่งจากแม่ค้าให้แม่ค้าก่อนเลยบอกว่าวันนี้อารมณ์ดีแม่ค้าเลี้ยงแม่ค้าเลยเพราะเราจะถึงไตสรณคมเราต้องการมีชีวิตเป็นเดิมพั น, นเราก็นำข้าว แล้วก็นึกถึงคำสอนของพระพุทธเจ้านำข้าวนั้นให้ก่อนเลยเพราะการให้เป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้านะเราจะถึงไสตระนาคมตลอดเวลาตลอดเป็นประจาเนี่ยเราต้องนึกถึงพระพุทธเจ้าให้ได้ทุกเวลาแม้แต่การอยู่กับครอบครัวอยู่กับพ่อแม่อยู่กับพี่น้องอยู่กับภรรยาสามีอยู่กับลูกๆ ต้องนึกถึงพระพุทธเจ้าให้ได้พระพุทธเจ้าพระองค์สอนเรื่องของการดูแลกันการอนุเคราะห์การการอนุเคราะห์การเกือกูลการแบ่งปันกันการเสียสละใช่เนี่ยถ้าเราอยู่ในครอบครัวของเราชีวิตประจบวันของเราทั้งหมดคือการถึงไตสาสนาคมเพราะเราจะนึกถึงพระพุทธเจ้าได้ตลอดเวลา ยมนึกถึงได้ไหมส่วนใหญ่เราจะนึกถึงพ่อแม่พี่น้องลุงป้านะ้าอานึกถึงว่าพรุ่งนี้จะมีอะไรกินนึกถึงว่าเราจะเมื่อไรเราจะเท่าเราจะมีชีวิตที่ดีเท่ากับคนอื่นเขาเราก็พยายามขวนขวายทำงานแล้วก็เก็บเงินเราจะคิดเรื่องแบบนี้จนชำนาญ พ อ, อมาให้นึกถึงพระพุทธเจ้าจะนึกถึงได้อย่างไรเพราะเราไม่เห็นประโยชน์ว่าพระพุทธเจ้าพระองค์ทำอะไรให้เรานะแต่ความเป็นจริงแล้วพระพุทธเจ้าเนี่ยพระองค์สอนเราทุกเรื่องนะถ้าพระพุทธเจ้าไม่สอนเรื่องการให้ทานเราเกิดมาก็ยากจนถ้าพระพุทธเจ้าไม่สอนเรื่องศีลเราจะเกิดเป็นมนุษย์ไม่ได้ถ้าพระพุทธเจ้าไม่สอนเรื่องภาวนา เราจะมีความรักความปาถนาดีได้อย่างไรถ้าพระพุทธเจ้าไม่สอนเรื่องความสงสารเราจะมีความการุณาสงสารคนอื่นได้อย่างไรนี่พระพุทธเจ้าพระองค์สอนทุกเรื่องดังนั้นควรไหมที่เราจะกินน้ำก่อนแล้วไม่บูชาพระพุทธเจ้าควรไหมที่เราจะกินข้าวก่อนแล้วไม่ถวายบูชาพระพุทธเจ้าควรไหมที่เราจะนึกถึงอย่างอื่นก่อนก่อนนึกถึงพระพุทธเจ้า ควรไมโยมฮัลโหลควรไมโยมไม่ควรเลยไม่ควรนึกถึงคนอื่นก่อนควรนึกถึงพระพุทธเจ้าก่อนเป็นอันดับแรกนะไหนลองสมาทานดูไหมลองบริจาคชีวิตเป็นพุทธบูชาดูไหมอิมาหังพันเตพระควา อัตตภาวังตัสสาพะคะวะโตปริจชฉามิข้าพเจ้าขอมอบอัตภาพร่างกายทั้งรูปธรรมนามธรรมทั้งขันห้าอายตนะสิบสองท่าสิบแปดอินทรีย์2ี่สิบสองอริยสัจสี ปฏิจจสมุปาท12สองทั้งที่เป็นอดีตปัจจุบันอนาคตภายในภายนอกใกล้ไกลละเอียดประณีตทั้งของข้าพเจ้าทั้งของสรรพสัตว์ทั้งหลายข้าพเจ้าขอน้อมบูชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกทุกพระองค์ พร้อมทางพระธรรมและพระอริยสงฆ์เพื่อบำเพ็ญบา ร, รมีสามสิบทัดให้เต็มบริบูรณ์ตลอดไปจะมั่นคงไม่เปลี่ยนแปลงจนกว่าจะถึงพนิพาณในการนันควรด้วยเทินนี่เราก็สมาทานเป็นประจำทุกวัน เพื่อเราจะได้ไม่ประมาทเมื่อไม่ประมาทแล้วเราจะได้ภาคเพียรพยายามเพื่อให้ศีลเกิดขึ้นในใจเพื่อให้สมาธิเกิดขึ้นในใจเพื่อให้ปัญญาเกิดขึ้นในใจเพื่อเราจะได้เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าเราจะได้อยู่ใกล้พระพุทธเจ้านะในชีวิตประจำวันของเราที่เราอยู่กับครอบครัวเนี่ยเป็นการเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าตลอดเลยถ้าคิดถูกถ้าคิดถูก เอาล่ะลองดูว่าในร่างกายของเราทั้งหมดเราก็แยกส่วนออกมานะเป็นรูปนะเสียงกลิ่นรสโบถัมะธรรมรมเราก็บูชาพระพุทธเจ้านะเรียกว่าเข้าถึงใตศาสนาคมเห็นสมควรเก็บเวลาแล้วก็ให้ พวกเราทุกท่านทุกคนเนี่ยวันนี้ที่ได้ฟังวันนี้ที่ได้รับรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้ก็นำไปประพฤติปฏิบัติให้ได้เป็นประจำทุกวันก็จะเข้าถึงไตรสรณาคมที่ถูกต้องอย่างแท้จริงก็ขอเจริญพร